จะดตั้งให้ดูนรับตัวได้หรือเปล่าได้ไครับพร้อมครับรู้สึกสบายเริ่มตอนไี้เริ่มเริ่มแล้วเนาะจะตอบคําถามที่ค้างไว้น่าจะนานแล้วแล้วก็มีหลายท่านที่ถามเข้ามาแล้วไม่ได้ตอบแล้วก็ย้อนกลับไปดูก็ยังไม่เห็นคําถามนั้นเราต้องขอใครที่ไม่ได้ตอบ ในส่วนที่เคยทามาเพราะบางจังหวะโอกาสที่จะตอบมันก็ยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะตอบด้วยความสงสัยในข้อธรรมจากการที่ได้ศึกษาในหมู่ของพุทธศาสานิกชนวิชาพุทธเราเนี่ยที่ได้ในกลุ่มของผู้ศึกษาธรรมนี่ก็มากมายเยอะเพราะที่ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามีใจรักในความเป็นศาสนาของตนเอง เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าคนที่จะเป็นผู้นักถือพุทธศาสนาหรือว่ามีใจรักในพุทธศาสนาที่แท้จริงนนั้นต้องศึกษาคําสอนแล้วเมื่อได้ถึกขาคําสอนแล้วก็เกิดเป็นประเด็นที่นํามาซึ่งความสงสัยแล้วก็ผบคิดไม่แตกหรือหาความลงตัวหรือว่าประมวลในหลักคําสอนให้เกิดความเข้าใจยังไม่ได้จึงได้ตั้งคาถามขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้ตอบไว คำถามได้ถามว่ากาบเรียนพระอาจารย์กลุมวิ ญ, ญญาณในภัสสะกับวิ ญ, ญญาณในเวทนาสัญญาสังขารแตกต่างกันอย่างไรครับวิบ ญ, ญญาณในภัสสะอันนี้เป็นวิญญาณที่พูดถึงอยู่ในน่าจะเป็นชาช ก, กสูตรเ น, ะนาะชาชะกสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเรื่องหอย่างหกหมวดหมวดหกทำหมวดหกหมวดนี่หมวดหก็มีอายตนาภายใน 6ก็คือตามุกจมูกลิ้นใจใจอายตนภ า, ายนอก6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์แล้วก็อารมณ์ที่เกิดกับใจเรียกว่าธรมอารมณ์แล้วก็ผัสสะหก็คือสิ่งที่สัมผัสวิญญาณหกเกิดวิญญาณ6แล้วก็ผัสสะ6นแล้วก็เกิดเป็นมโนปวิจังเขาเรียกว่าอารมณ์หน่วงนึกส8ทีนี้ ประเด็นที่เป็นความสงสัยคือว่าวิญญาณหกกับวิญญาณในขันมีความแตกต่างกันอย่างไรเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอายตนะเรียว่าทหมวดหกหหมวดนี้ว่าอายตนะภายในภายนอกการที่พระเจ้าแสดงหลักธรรมแยกอายตนะภายในแยกอายตนะภายนอก แยกเป็นวิญญาณแล้วก็แยกเป็นขัตส์แต่ละอันแต่ละอันเนี่ยการที่วงรงอธิบายแยกแต่ภาวะจริงมันเกิดรวมอยู่ในอันเดียวกันมันไม่ได้แยกออกแตกแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่พระเจ้าผู้ทรงปัญญาโพงเห็นขนาแห่งการเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในการรับรู้อารมณ์ต้องเข้าใจว่าครั้งหนึ่งในการรับรู้อารมณ์นั่น่ะเช่นตาเห็นรูปอ่ะตาเห็นรูป เมื่อตาเห็นรูปเนี่ยสภาพแห่งการรู้การเห็นเกิดขึ้นถ้าเราเป็นปกติเห็นการปรับเนี่ยเราก็ไม่ได้สามารถแยกความอะไรออกได้ว่าอะไรเป็นอายตนะอายตนะแปลว่าเครื่องรับเครื่องรับหรือว่าเครื่องเชื่อมต่อเครื่องรับหรือว่าการเชื่อมต่อกันตารับภาพเหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิล้นรับรสกายรับการสัมผัสใจรับธรรมารม คือเรียกว่าเครื่องรับก็ได้อย า, ายุรธาภัยภายในภายนอกคือทั้งรับทั้งสง่งคือเชื่อมโยงกันเชื่อมต่อกันนะลูกก็เชื่อมต่อมาที่ตาเสียงก็เชื่อมต่อไปที่หูอย่างเงี้ยงั้นเรามีการรับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเห็นกันหนึ่งครั้งมันเกิดกระบวนการเรียกว่าธรำหกหมวดนี้ขึ้นคืออยายุรายในหมวดหนึ่งอยายุรภายนอกหมวดหนึ่งวิญญาณหมวดหนึ่งแล้วก็ผัสสะหมวดทีนี้ ทำหกหมวดนี้ที่วงทรงกล่าวไว้เพื่อการกำหนดรู้การที่วงให้ให้เราได้กําหนดรู้ในทำหกหมวดนี้ะก็เพื่อทําให้เห็นว่าตัวตนของผู้ที่เห็นมันไม่มีนะในความหมายของพระย่าคือให้ทําลายความเป็นตัวตนเราเห็นกันเนี่ยเราจะเกิดการยึดถือในสิ่งที่เห็นเพราะเราไม่เข้าใจขนาดขณะแห่งการเห็นขนาดแห่งการได้ยินขนาดแห่งการดมกลิ่นลิ้มรสเนี่ยคือเราไม่เข้าใจขนาดผู้ที่เขาทรงทราบขนาดแต่ละขนาดว่า สิ่งที่เห็นไม่มีตัวตนใดๆเป็นผู้ไปเห็นมีแต่สภาพแห่งการเห็นสภาพแห่งการเห็นคือจกักษุจกักษุเนี่ยที่เป็นตัวสภาพแห่งการเห็นเนี่ยจกักษุเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าเป็นลูกตานะตาไม่ได้แปลว่าจากักษุนะแต่จกักษุแปลว่าการเห็นสิ่งที่เห็นอย่างเงี้ยเพราะตาเนี่ยคําว่าดวงตามีภาษาหรือศัพท์เลียดโดยเฉพาะอยู่แล้วเรียกว่าอคิอคิแปลว่าในตาหรือว่าลู ก, กตาเนี่ย อคติก็รูปตาแต่จกักษุเนี่ยหมายถึงการเห็นหากการลูกตาเราไปเห็นสิ่งใดแต่ไม่ได้รับรู้ในสิ่งนั้นคือสิ่งที่เห็นมันไม่ปรากฏจกักษุก็ไม่เกิดขึ้นคือการเห็นไม่เกิดขึ้นเช่นมีวัตถุรูปเต็มไปหมดเหมือนกับมีต้นไม้อยู่ในปา่าในภูเขาหน่งเราเห็นภูเขาเราเห็นต้นไม้ในภูเขาหนึ่งมันไม่มียมันไม่เห็นนะไม่เห็น ก็คือจักษุบิญยานไม่เกิดขึ้นหรือว่าการเห็นให้เกิดขึ้นจักษุไม่มีแต่ตามีอยู่นะเพราะฉะนั้นจักษุไม่ได้เป็นคําเรียกตัวตาแต่เรามาถูกแปลว่าตาตรงเนี้ยมันมันมันมันมันมันก็เลยกลายเป็ว่ามันเป็นเรื่องของอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของกายไปแล้วตานี่เป็นเรื่องของกายไปแล้วแต่คําว่าจักษุนี่มันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเห็นสภาพ อาศัยเหตุปัจจัยเข้ามาเป็นหตุปัจจัยคือต้องมีลูกต้องมีดวงตาและก็มีการเห็นเมื่อมีการเห็นแล้วก็ต้องเกิดการรับรู้ในสิ่งที่เห็นก็คือกิจยานก็คือกิจญานเพราะฉะนั้นการที่พรมทรงบอกแยกให้เห็นทำแต่ละหมวดเนี่ย6หมวดเนี่ยเพื่อให้เราได้ทราบว่าการเห็นจัปรากฏเนี่ยมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนใดๆเป็นผู้เห็นหากมีตัวตนจริงเราจะสามารถเห็นเห็นได้หมด หามีตัวตนไปผู้เห็นตัวตนนี้จะต้องไปไปเห็นเองโดยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหมายถึงว่าสมมติว่าโลกนี้มืดบอดเลยดวงตามีอยู่และตัวตนผู้เห็นมีอยู่ตัวตนเนี้ยตัวตนผู้เห็นเนี่ยจะต้องสามารถเห็นได้เองโดยไม่ต้องอาศัยแสงนะพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยนั่นเท่ากับว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริง แต่การเห็นจะปรากฏได้ก็ต้องอาศัยหนึ่งวัตถุรูปสองดวงตาไปมอง 3. สามแสงถ้าไม่มีแสงสว่าง<อ>ก็ก็เห็นไม่ได้จักสู่ก็ไม่เกิดเสียงเหมันกันมีเสียง ม, มีหูแต่สภาพการรับเสียงไม่มีโสตั ก, ก็ไม่เกิดมีลิ้นมีรดแต่สภาพการรับรสเขาเรียกว่า อ่าตัวชิวหาเนี่ยมันไม่มีวพวกเราก็เริ่มเริ่มเริ่มลดลดกันไปเยอะแล้วนะเรื่องการรับลดนี่ <c ười> จืด จ, จืงจางกันไปแล้วแก่ตัวมากเห็นไหม <c ười> แสดงมันมันเสื่อมสภาพแ้วมันมันมันเสื่อมสลายไปได้ใช่ไหมครับ <c ười> ทั้นี้เพราะฉะนั้นการที่วงทรงสแสดงละะักษณะอย่างอเนี่ยเพื่อให้เห็นเหตุและปัจจัยก่อให้เกิดการรับรู้รับทราบทีนี้วิญญาณในภาษาเนี่ยจริงจริงเราจะเราจะบอก ว, ว่าวิญญาณในภาษา หรือจะบอกว่ า, าวิญญาณก่อให้เกิดภาษาก็ได้เ พ, พระาะพุทธเจ้าบอกว่าคําว่าภาษาะเนี่ยคำคำเดียวภาษานี่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีสมกระบวนการคือหนึ่งภายในสองภายนอกสรับรู้ในสิ่งที่ภายในภายนอกเชื่อมต่อกันถึงจะเรียกว่าเป็นภาษาหากไม่มีกระบวนการ3าประการนี้จะเป็นภาษาไม่ได้เช่นมีดวงตาเห็นลูก เมื่อเห็นรูปแต่ไม่สามารถรับรู้ในรูปได้ภัสศักก็ไม่เกิดถ้าสมมุติว่าอย่างคนที่เป็นที่บางคนที่ว่าเรียกว่าตาเฉยเนี่ยตามันไม่ทำงานตา่ที่เก็นทางานตาที่เห็นมันจะเป็นเป็นวายเหตุตรงไหนตัวตัวที่เป็นโรคจมีนเป็นโรกเป็นโรคคนที่ คนที่เป็นโลกดวงตาถ้าเป็นโลกดวงตาก็เท่ากับว่าไม่เป็นไม่เป็นที่ตั้งไม่เป็นที่ตั้งให้เกิดวิญญาณเมื่อไม่เป็นที่ตั้งให้เกิดวิญญาณนั่นก็เท่ากับว่าปัจจัยในภายในปัจจัยปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอายตนะไม่มีตาลูกตาเรายังเป็นกายอายตนะทางกายนะเป็นกายอายตนะใช่ไหมลูกตาเราเป็นกายอายตนะแต่สภาพการเห็นเนี่ย มันมันเป็นจักขวายยานะเมื่อกายไม่เป็นที่ตั้งของอายตนะที่จะรับภาพกายเป็นที่ตั้งของเยานะที่จะรับภาพแล้วอายตนะที่จะรับภาพอย่าแม้มิแม้มันจะมันยิงอาศัยกันกายที่เป็นที่ตั้งแห่งการรับภาพต้องสมบูรณ์จักขวายยานะถึงจะสามารถทําหน้าที่รับได้แต่เมื่อกายอันเป็นที่ตั้งแห่งอายตนะไม่สมบูรณ์ จักรวายยตนะจักษุเนี่ยก็จะไม่สามารถทําหน้าที่ในการรับภาพได้ดีหรือรับภาพไม่ได้รับไม่ได้แสดงว่าการเห็นก็จะเห็นได้หรือเห็นไม่ได้จะเห็นชัดหรือเห็นไม่ชัดก็มาจากปัจจัยจากกายใช่ใช่คืไม่ชัดเกิดจากกาเกิดจากกายหูจะได้ยินชัดหรือไม่ชัดก็เกิดจากกายเป็นปัจจัยให้อายจตนะณนี้ทําหน้าที่ในการรับ น้อยหรือมา ก, กูบบน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอาจารย์ครับบางคนนี่ตาบอดแต่ใช้หูเป็นประโยชน์ในการฟังเขาจะวิเคราะห์แทนแต่เ<า>ขาเห็นไม่ได้แต่ว่าเขาเขารับรู้โดยการประเมจากหูในการจากฟัง ม, มันคนตาบอดที่ว่าเขาใช้ไม้ใช้อะไรไปสัมผัสเขาสามารถวิเคราะห์ได้เพราะเขาเรียนมาเขาเขาเลยรู้ว่า น, นั่นคืออะไรซอนเบลอะไรเงี้ยครับปกติแล้วเขาต้องมีตาเมือนเราแต่เขาก็ใช้ หูแทนแทนตาคืออสัมผัสในในในในตรงนั้นได้ก็คือมันไม่ครเหมายความปัจจัยไม่ครบไม่ครบทั้งหูทั้งตา อ, นนอันนั้นก็คือเกี่ยวยกับกรรมเนะเพราะว่าตาก็มาจากผลของกรรมหูมก็มาจากผลของกรรมจมูกลิ้นกายก็มาจากผลของกรรมอันนี้น<อ>เป็นเกี่ยวกับผลของกรรมาการที่เขาเป็นอย่างนั้นก็เกี่ยวกับการที่เขาสั่งผลกรรมที่เขากำลังเป็นด้วยตัวของเขาาฉะนั้นแต่แต่ในความหมายของพระเจ้าที่พรองค์ทรงกล่าวไว้ใน ทําหมวดหกเนี่ยครับปวงกล่าวไว้เพื่อให้เราเห็นให้เราเห็นเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเห็นว่าการเห็นจะเห็นได้มันไม่ใช่เห็นได้ได้เลยแบบหรือมีผู้ไปเห็นหรือมีตัวตนไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราคิดว่าเห็นใช่มันมีกระบวนการส่วนมากเราจะเข้าใจว่าเราเห็นแต่เราไม่เรียกบอกว่า ตาเห็นตายผู้เจ้าจึงบอกว่าตายมันเป็นเพียงแค่ตายเห็นรูปเป็นแค่หูฟังเสียงเป็นแค่จมูกตมงกินเป็นแค่ลิ้มลิ้มรสเขาก็บอกเขาเห็นทีเจ้าแยกตาไม่ใช่เราเราไม่เห็นในตาเพราะเ้าได้แยกตรงนี้ออกใช่แยกตรงนี้แหลว่ามันมีโครงประกอบมีทำบอกทำผู้ข้อที่เกิดที่บาปรากฏขึ้นมาเนี่ยทำผู้ข้อจะต้องมีมีทำมันประกอบไม่ได้โกลดขึ้นมาอย่างหดลบทีไม่ได้ถูกต้องถ้าในประเทศหากเรารู้อย่างนี้ปุ๊บผู้เจ้าบอกว่าคนนั้นจะรู้จักปฏิจะสมุปา คือทำอันอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วพงเก่งมาตัดในตัดตัดถึงเรื่องราวเนี่ยจริงๆริงพงเล่าเรื่องราวนี้ก่อนนะอายตนาภายในหอายตนาภายนอปปปบหกวิญญาณหกภาษาปปหกอย่างเนี้ยเพราะนั้นถ้าจะเป็นภาษะได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยตาอาศัยรูปอาศัยการรู้ในรูปจึงเป็นภาษาเพราะฉะนั้นเขาพูดถึงภาษาปั๊บก็ต้องเห็นกระบวนการเหตุปัจจัยของสาประการนี้ว่าอาศัยกันเกิดก็ตามทันนะทีนี้ โปรจึงบอกว่าใ น, ในสรุปสุดท้ายโปรบอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคืออาศัยกันอย่างเงี้ยเหตุปัจจัยอย่างเงี้ทยที่อิงอาศัยกันอยู่เนี่ยผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าได้เห็นปฏิจจสมุปบาทาการเห็นธรรมขาดโดยขาดการรู้เห็นปฏิสุปบาทเป็ปนไปไม่ได้เลยต้องรู<น>้ตัวนี้รู้แล้วกอาศัยกันตลอดเวลาใช่ครับคุณหมอกะเขาบวช จะภูวิญญาณเศรษฐาวิญญาณคานัวิญญาณชื่อหาวิญญาณใจวิญญาณมโนวิญญาณน่ยมันเกิดจากอะไรก็ผมสรุปว่าอายตนะภายในกับอายะตนะภายนอกกระทบกันนะฮะเป็นภาษาอยู่ตรงกลางนช่ไหมครับกระทบกันแล้วเกิดความรู้ขึ้นอ๋ออันอันเกิดความรู้นั่นแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอายะตนะภายในรับอายะตนะภายนอก แล้วเกิดรูใ้ในในในอายทะนา น, นั้นจึงเกิดเป็นผัสสะจึงเป็นการกระทบหากภายในตาไปเห็นรูปแต่ไม่รู้ในรูปวิญญาณไม่เกิดผัสสะก็เกิดไม่ได้เห็นไหมครับใช่หากไม่มีวิญญาณจะไม่มีการกระทบจะไม่มีผัสสะเพราะอะไร เ, เพราะว่าผัสสะจะเป็นเ ป, เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนานะเพราะฉะนั้นวิญญาณจะต้องเป็นปัจจัยให้มีผัสสะหากไม่รู้แล้วมันจะไปเป็นเวทนา ไม่เกิดเพราะนั้นถ้าหาภาษากรแล้วเป็นวิญญาณก็เท่ากับว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสิมันจะผิดแค่ไหนมีมีสัมผัสกับภาษาหป่าสัมผัสกับภาษาคือเหมือนเหมือนสัมผัสถ้าเราจะใช้ในกรณีของการที่ในความหมายของการเชื่อมโยงกันก็ได้สัมผัสคือในภาษากระทบสัมผัสคือเกี่ยวข้องคือว่าภาษาคือการ กระทบกันแล้วเกิดเป็นความรู้ความรู้ตัวนี้ซึ่งหมายถึงนิญญาณนั่นแหละเกิดกระทบฮพระเพราะเพราะมันกระทบกันการกระทบกันที่เรียกว่าผัสสะถึงจะเกิดความทีนี้ต้องถามว่าคําว่ากระทบนี่กระทบที่ไหนครับอายตนะใช้ด้านในนอกเห็นคือตนะตาไปสัมผัสรูปแล้วเกิดรูปในสิ่งที่เห็นแล้วสิ่งที่เห็นทั้งหมดสามกระบวนการเนี้ก่อให้เกิดผัสสะแปลว่ากระทบ แล้วกระทบอะไรกระทบที่ไหนมันต้องมีตัวกระทบมันกระทบมันเป็นภัสสะได้เนะี่ยก็จริงอนะ่ะแล้วมันเป็ผัสสะจะไปไปไปกระทบที่ไหนภายในหใรือภายนอกใช่ไหมฮะตาใูกเออตาในลูปนอกใช่ไหมฮะชเข้ามาผัสสะกันเอางี้ดีกว่าเห็นคนที่ไม่ชอบใจเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเห็นคนที่ไม่ชอบใจนะั่นก็อมกุ้งเคืองบ้าง ค, คุณเครื่องที่เราไม่ชอบใจอถามว่าผัสสะเนี่ยกระบวนการเนี่ยโดยเรารู้อยู่แล้วน่ะเราเรียนมาว่าไม่มีใครเป็นผู้ไปรู้ไปเห็นแต่เมื่อไปรู้ไปเห็นในสิ่งที่เราไม่ชอบใจไว้ก่อนอเมื่อไปเห็นแล้วปั๊บเนี่ยเกิดผัสสะกระทบเนี่ยกระทบอะไรคือท่านท่านอายสมัยตรงเนี้ยผมจะอธิบายให้กัฟังถึงเรื่องว่าจากักรปิญญาณ จาก อ, อจากภูวิเนี่ยมันหมายจากอะไรยไงใช่ไหมแล้วในความหมายของการกระทบเราเกิดความรู้ขึ้นความรู้ oui? น, น, นี่หมายถึงวิญญาณเนี่ยว่าเราตากระทบรูปเห็นว่าเออนี่เป็นรูปอะไรนั่นคือจากภูมิญญาที่มันเกิดขึ้นครับเอราเราจะใช้คําว่าตาสัมผัสกับรูปได้อยู่ครับเพราะเข้ามากระทบเนี่ยไม่ได้เพราะกระทบจะเกิดก่อนไม่ได้เ uh huh. ข้ากระทบเนี่ยจะมีความหมายในทางบาลีว่าภัสสะภัสสะจะเกิดหลังจากมีการรับทราบแล้ว แต่ถ้าทางการไปพูดถึงว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณโอเคแต่ต้องมาทีหลังละใช่แต่ฮะใช่เพราะว่ า, า <S <S 2> <S 2> ถ้าพูดถึงผัสสะปั๊บจะเกิดสามกระบวนการคือตาเห็นแล้วก็รับรู้ใช่ครับหมายถึงว่าอ้สภาภายในอ้สภาพภายนอกก่อให้เกิดวิญญาณ<อ>แล้วสามประการเนี้ยจึงก่อให้เกิดผัสสะนี่คือพระพุทธเจออา้าอธิบายอย่างนี้แ<อ>สดง ว, ว่าผัสสะในในกระบวนการของผัสสะวิ ญ, ญญาณในผัสสะเนี่ย เป็นวิญญาณชนิดไหนแตกต่างจากวิญญาณขันอย่างไรใช่ไมเนวิญญาณในขันเปวิญญาณัสสใช่วิญญาณัสสวิญญาณในขันมันเตัววิญญาณเราว่าคนละตัวหรือตัวเดียวกันอว่าคนละตัวคนละตัววิญญาณในขันกับวิญญาณที่มันเกิดจากผัสสะกระบวนการเกิดก็แตกต่างกันนะครับจ วิญญาณในภาษากับวิญญาได้ขันเราต้องเข้าใจว่าวิญญาณในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือวิญญาณไปรับรู้เวทนาวิญญาณไปรับรู้สัญญาวิญญาณไปรับรู้สังขารตัวนี้นะคือเรียกว่ารับรู้ขันขันรับรู้ในตัวของขันทำว่าขันรับรู้ในตัวของขันเนี่ยแล้วแสดงว่ามีวิญญาณต่างหากเป็นผู้ไปรับรู้หรือ อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนกับคล้ายๆปญญาในขันอันเข้าเลยว่าวิญญาขันคือมันเหมือนเป็นตัวตัวรองรับเป็นเหมือนจะเป็นตัวใหญ่อะตัวที่เขาเียเกิดวิญญาภาษาขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นญาณอันหนึ่งมีาแล้วมาจากวิญญาปัญญานี่แหละกายวิญญานี่ยาจากไหกายกายมันจากปัญญาของากายวิญญาอย่างเช่นเราสัมผัสการเกิดกายวิญญา สิ่งที่มาสั่งานก็เรากมปทวารเนาะเมื่อเราสั่งทวารเกิดกายวิญญาณเมื่อกายวิญญาณเกิดขึ้นแล้วปั๊บกายวิญญาณนี้เป็นขันกายวิญญาณนี้เป็นขันไหมเมื่อเมื่อกายวิญญาณเกิดขึ้นเป็นขันไหมเออเป็นเป็นวิญญาณขันถูกต้องไหมเมื่อวิญญาณขันเกิดขึ้นวิญญาณขันนี้ก็เป็นผัดกอให้เกิดผัดสะคนละคนละจังหวะเหมือนกันไหม มันก็น่าจะเหมือนกันเพียงแต่บรรการเกิดเหตุมันต่างกันคุณแค่นนเองว่ามันเกิดจากตาเกิดจากหัวใจมันเกิมาจากตักกวการเนอากนี่แหละคือปัญหาของพระุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัญหาของหลักธรรมข้อเ น, นี้เราจะมุ่งมองประเด็นว่าพระองค์ทรงตัดคำเนี่ยเพื่อให้เราไปเห็นประเด็นอะไรที่แท้แล้วพระองค์ต้องการให้เราเห็นเหตุปจัจจัยเรียกว่าทำอันอาศัยกันเกิดทุกอย่างที่พระองค์ทรงสอนพระองค์จะสอนเพื่อให้เราได้เห็น หน้าที่ของอิยตนะที่มันทําหน้าที่พวกมันเองไม่มีตัวตนผู้ใดไปเป็นผู้กระทํำเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้แล้วก่อให้เกิดผัสสะผัสสะอันนี้มันจะไปกระทบกับใจคือมโนมานายอิตนะเพราะมนายตนะเนี่ยหากไม่มีตัวส่งผ่านเข้าไปภายในมันก็รับรู้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะส่งผ่านเข้าไปกระทบใจได้ก็คือสิ่งที่ตารับรู้สิ่งที่หูรับเสียง สิ่งที่จมูกรับกลิ่นสิ่งที่ลิ้มลิ้มรสสิ่งที่สัมผัสทางกายจึงส่งผลไปเป็นผัสสะกระทบใจ อ, อย่างเงี้ยพอกระทบกับใจธรรมอารมณ์ตัวเนี้ยก่อนธรรมอารมณ์ตัวเนี้ยที่ได้รับอารมณ์ทางตาทางหูเรีว่ารูปอารมณ์สัธธาาทธาลมคันธารมร拉าลมโอทภารลมอารมณ์พวกเนี้ยเป็นธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์เหล่าเนี้ยจะเข้าไปสัมผัสกับตัว ม, ม, มนายตนะมะนายตนะ เมื่อรับสัมผัสแล้วก็เกิดเป็นรับการรับรู้เป็นมโนวิญญาณเมื่อมันเกิดเป็นมโนวิญญาณแล้วเกิดผัสสะกระเพื่อนให้เป็นเบธานาพอใจบ้างในสิ่งที่เห็นไม่พอใจบ้างในสิ่งที่เห็นงั้นในตัวที่เจี๊ยพูดเมื่อกี้เรื่องเราถือว่าเป็นตัวมโนวิญญาณได้ไหมเจี๊ยบพูดว่าเป็นตัวใหญ่ที่คอยรับการทบกข์อยู่เป็นก็เป็นมโนวิญญาณมโนมานายตนะเป็นตัวรับอายตนะทางใจเป็นตัวรับเมื่ออายตนะทางใจรับแล้ว เกิดการรู้เป็นมโนวิญญาณรับธรรมอารมณ์แล้วเกิดเป็นมโนวิญญาณหากมานายจตนะมีอยู่ธรรมอารมณ์เข UM ้าไปอยู่แต่ไม่รับรู้อ่าประเภทเขาเรียกว่าอยู่ในฌานอยู่มีอาจตนะเข้าไปหมดอ่ะแต่ว่าอยู่ในฌานอยู่จิตอยู่ในฌานมานายจตนะไม่สามารถทำหน้าที่ได้เพราะจิตตอนนั้นอยู่ในฌานองค์ฌานกั้นมานายจตนะทำหน้าที่ไม่ได้อาจตนะที่จะเชื่อมต่อกับอารมณ์ไม่มี่ธรรมอารมณ์ไม่มี ก็ไม anyway, right. ่เกิดมโนบิญัยครับใช่มันมีอยู่แต่ไม่เกิดมันมันไม่เกิดไม่ใช่ไม่มีมันไม่มีปัจจัยให้เกิดไม่มีปัจจัยให้เกิดแสดงว่ามันจะเกิดอะไรจะเกิดเพ่ได้ต้องมีปัจจัยก่อให้มันเกิดอันนี้ย่อจจถึงปจจาสมอกบาดที่อยู่ข้างในนีคือให้เกิดกรรมกระตาเนียมันไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ตรงจิตารของตเนี้ยที่มันะทุกขณะความเข้าใจของเราเป็นเป็นอะไรความเข้าใจความรู้ความวข้าณของเราเวลานี้เป็นอะไรเป็นธรรมกายตัณ เป็นธรรมอารมณ์นะแล้วกระทบกับมณ า, ายาตนะคืออายนะคทางใจใเพราะนั้นกระบวนการเห็นความเข้าใจแม้ความเข้าใจในธรรมะที่เรากําลังเข้าใจอยู่ก็คือเป็นอายนาภาย น, นอกภายในกระทบกันแล้วก่อให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นไปใจให้เกิดเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออะไรก็คืออยู่ดูแบบสิ่งที่เรากําลังเข้าใจอยู่มันจะก่อให้เกิดปีติหรือไม่ปีติเกิดให้เกิดกุศลหรืออกุศลอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นทุกทุๆขณะ แห่งการสัมผัสถ้าพูดถึงหรือว่าภาษาเนี่ยที่เราจะทบเกิดขึ้นเนี่ยทุกๆขนาถ้าพูดถึงภาษาปั๊บเราต้องเห็นสามกระบวนการนี้เราจะต้องไม่เห็นความเป็นตัวตนของใครผูใร้ใดผู้หนึ่งว่ามีตัวตนเป็นผู้รับรู้แม้แต่เรากําลังฟังทำอยู่ทำเหล่านี้ที่ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่า น, ผ, า น, ผ, านผ่านอยนายตนะหายนอเข้าไปแล้วไปสู่ใจเนี่ยทำไมอย า, ายตนะอย่างอยถือว่าเป็นภายนอกคือมันออกมาจากภายนอกมันมันเข้ามาจาก<ต>ภายนอกเข้ามา สัมผัสรับรู้แล้วทำไมยะตนะธรรมะที่เรลองฟังอยู่เนี่ยจัดเป็นธรรมรงเป็นอายนาภายนอกอยู่ความรู้เนี่ยเป็นอายนาภายนอกแล้วไปกประทบกับมนายตนะซึ่งกําลังรับทราบอยู่ในเวลานี้ก็เป็นมโนวิญ ญ, ญาณเพราะฉะนั้นการที่รับรู้รับทราบอะไรอยู่ในเวลานี้เป็นเพียงแค่มโนวิญญาณเท่านั้นเองมโนวิญญาณไม่ได้เราไม่ได้รู้แต่มโนวิญญาณทำหน้าที่รู้แต่เมื่อมโนวิญญาณทำหน้าที่รู้ลรกปุ๊บเนี่ยด้วยความที่จิตมันถูกอบรมด้วย ทำอารมณ์ที่ในด้านของกุศลธรรมในการสดับตับฟังเนี่ยจิตก็จะถูกอบรมไปด้วยจิตก็จะถูกขัดเกลาไปด้วยจิตก็จะถูกทําให้พราะจิตทําอะไรทำหน้าที่ในการโอนตามอารมณ์เอนตามอารมณ์หรือว่าโน้มตามอารมณ์ที่มานายาตนะได้รับรับสัมผัส น, นะมานายาตนะรับทราบอะไรจิตก็โอนตามเอนตามหามานาญตนะเนี่ยไปรับทราบในสิ่งที่มันไม่ดีจิตก็ต้องโอนตามเอนตามในสิ่งที่ไม่ดี และ ว, ว่ากลายเป็นการเขาเรียกดองสันดานให้เป็นเป็นเป็นไปอย่างนั้นติดเป็นนิสัยอย่างเงี้ยทีนี้พอเรามาฟังธรรมล้วก็มาติดนิสัยของการฟังการศึกษาการเล่ารู้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเป็นเพียงแค่ธรรมาลงกับมานายตนะเกิดเป็นมโนวิญญาณเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นมโนวิญญาณ ถามว่าเอาสติปัญญาเกิดจางไหมเมื่อจิตได้ถูกขัดเกาจากความรู้ที่เราได้ฟังเข้าไปเนี่ยเกิดความรู้ในนั้นจิตก็จะถูกขับขัดเกาคือมันโนบเอียงไปตามความรู้โนบเอียงตามมนโนวิญญาณนผมพูดง่ายเมื่อโนบเอียงตามมนโนวิญญาณมากเข้ามาเข้ามาเข้ า, า, ขาจิตอาศัยความรู้ในมนโนวิญญาณ น, นี้ที่โนบเอียงไปเนี่ยจะจะจ ะ, จะมีจิตดวงใหม่เรีวคุณสมบัติของจิตดวงใหม่เกิดขึ้นของจิตดวงใหม่ก็เรียกว่าสติ คุณสมบัติของจิตดวงใหม่เนี่ยที่มันคอยโอนตามเอ็นตามโน้มตามเนี่ยคุณสมบัติที่มันเกิดขึ้นมามันจะทําหน้าที่ในการกําหนดรู้เนีเป็นคุณสมบัติในเขาเรียกว่าเกิดเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นคุณสมบรติในส่วนของสมาธิถีในทางอริยมรรต์มันก็จะเกิดความรู้ในการกําหนดรู้เล่าฟังสิ่งใดสติก็จะเป็นการรับรู้แต่ก่รณีรับรู้ด้วย วิญญาณปกติโดยไม่มีสติก็คือรับรู้ในธรรมแต่พอมีคุณสมบัติคือสติขึ้นมาวิญญาณรับรู้ด้วยแล้วก็เป็นการรับรู้ด้วยสติที่มีตัวสติกำกับอยู่เพราะฉะนั้นสติจะแนบอยู่กับการรับรู้ของมุญวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเมื่อสติแนบในการรับรู้อยู่ธรรมะที่เราฟังบอกสอนเรื่องอะไรสติจะทำหน้าที่สร้างปัญญาให้ไปเห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงในเกิดธรรมวิจัยขึ้น เกิดทำมาวิจัยขึ้นพอเกิดทำมาวิจัยเยะคือวิจัยวิจารณในธรรมโดยตัวของจิตเองเนี่ยโดยความเป็นสมาธิทิศที่เห็นเห็นในสิ่งที่วเองวิจัยวิจารณ์แยก yeah. เป็นประเด็นมากแม้แต่ธรรมเหล่านี้ก็อาศัยการเกิดขึ้นสติก็ต้องอาศัยการเกิดขึ้นปัญญาก็ต้องอาศัยการฟังสดับตาฟังเกิดขึ้นถ้าไม่ไปสดับตาฟังถ้าไม่เกิดการพวกนี้มันก็มีไม่มีการศึกษามมีการเรียนรู้ก็มันก็อาศัยการเกิดขึ้น เราก็จะเห็นสภาพธรรมทุกอย่างตามความเป็นจริงที่มันเป็นจึงไม่มีการยึดถือมั่นแม้ในธรรมที่ตัวเองตัดสรู้แล้วเพราะมันแค่อาศัยกันเกิดขึ้นะเราไปยึดมันได้ยังไงธรรมที่เราตัดสัรู้แล้วก็พอนั้ำทำกิจทำหน้าที่อมันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็กกกหมดกันจะไปยึดไปถือไ ป, ไปเป็นอะไรในสภาพธรรมไม่ได้อย่างงี้นะะเข้าใจกระบวนการนี้ก็ชัดนะชัดที่เราว่าแยกออกที่ว่าเพราะตัดสรู้แล้วแล้วเนาะใช่ใช่มั้นรู้แล้วก็แล้ว่ พอพูดมาถึงตัวนี้อาตมานึกถึงคําถามหนึ่งที่เคยเปิดดูในเข้าถามกันว่านิพพานเป็นอัตาหรืออนัตตากันแน่ตัวนี้ยเข้าถามมาเราเราต้องมาเข้าใจว่าที่เขาบอกว่านิพพานเป็นอัตาเขาเอาคําไหนมาบัญญัติบัญญัติว่านิพพานเป็นอัตาแล้วที่เขาบอกว่านิพพานเป็นอนัตตาเขาเอาคําไหนมาบัญญัติเราต้องไปดูตัวนี้ทีนี้ในส่วนของฝ่ายที่เขาบอกว่านิพพานเป็นอัตาเขาเอาคําว่าตดาไดยะตาน อายตนะนั้นมีอยู่คือพระนิพพานพูดถึงพระนิพพานแต่ในอายตนะนั้นไม่มีดินไม่มีน้าไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีอากาศสนั้นยตนะไม่มีวิญญาณัยตนะไม่มีอากิจัญญายตนะไม่มีเนวสัญญาสัญญายตนะไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการจุติไม่มีอุปติเขาบอกว่าอายตนะนั้นมีอยู่เขาก็เลยไปจับว่าอายตนะเนี่ยเป็นอัตตาว่านิพพานเป็นอัตตาแต่ในอัตตานั้นไม่มีดินไม่มีน้ำเพราะว่าเนี่ยอายตนะนิพพานเยว่าอายตนะนิพพาน เคยได้ินศัพท์นี้ใช่ไหมเออนั่นแหละนี่แหละเขาเขาบัญญัติอัตตาจากศัพท์นี้ทีนี้ในส่วนของฝ่ายของที่บอกบัญญัติว่านิพพานเป็นอนัตตานั้นเขาไปจับตรงที่ว่าสัพเพธรรมมาอนาตตาทําทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะนั้นนิพพานเป็นสังขตธรรมหรือสังขตธรรมอสังขตธรรมเมื่อนิพพานเป็นอสังขตธรรมนิพพานจึงเป็น แล้วเขาบอาทำทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมสัพเพทั้งปวงเป็นอนัตตาเขาเลยบัรอย่ายนี่แต่ถามถามพวกเราอพวกเราที่เรียนศึกษามันเนี้ยนิพพานเป็นอัตาหรืออนตาออกผมไม่เป็นทั้งสองอย่างเอาต้องมีต้องต้องมีเหตุผลรองรับสิเราจะมาปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นทั้งสองอย่างไม่ได้ถ้าเราไม่มีเหตุผลรองรับอะเป็นอนัตาใช่ไฮะเป็นอนัตตาเพราะเพราะอะไรเพราะสัพเพธรรมะอนัตตานี่เลยอะ ก็เป็นโลบุตรละอันนี้บอกว่าไม่เป็นอ่แล้วแล้วถามว่าไงแล้วแล้วมีเหตุผลว่าไงไม่เป็นคือมันไม่ได้ดีกว่าเป็นตัวเองเลยทั้งหมด่ะคไม่ว่าได้เหมือนผมจะไปโยนทุกคราบ้างเด้เลื่อยเออจะบ้างแต่ไน่ว่าเรามันมีอยู่แต่ไหเออแต่มันอยู่ในบาไม่มีเท่าแหร่ ทีนี้เอาเอาเอย่างนี้ดีกว่าพระเจ้าสอนอายตนะเรามีหกใช่ไหมแต่ทําไมพระองค์จึงบอกว่าอายตนะนั้นมีอยู่คืออายนะนิพพา น, นมีอยู่คก้อนนิพพาน อ, อายตนะมีหกอ่ะภายในหกภายนอกหกแสดงว่าพระนิพพานเป็นอายตนะภายนอกสิอายตนะจักอยู่ในส่วนของขษรรษษทุกขสัจจะหรือสมุทัยสัจจะทุกขสัจจะหากนิพพาน เป็นอายตนะภายนอกก็ตกอยู่ในทุกขสัจจ์ไหมเพราะถ้าสี่ขันห้าอายตนะหกเป็นทุกขสัจจ์ใช่ไหมล่ะการที่ไม่รู้จักถ้าสี่ขันห้าอายตนะหกเป็นสมุทัยสัจจ์เมื่อรู้จักถ้าสี่ขันหอายตนะหกตามความเป็นจริงก็เป็นนิโรธสัจจ์การที่รู้จักทุกขสัจจ์สมุทัยสัจจ์และนิโรธสัจจ์ตามความเป็นจริงก็เป็นนิโรธเอ่อเป็นมรรคสัจจ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วหาก มีคนบรญญัตหว่าอนิพพานเป็นอัตตาโดยอาศัยขามาตาดายตานังอันนี้ก็เท่ากับว่านิพพานยังมีทุกข์อยู่ก็เป็นอัตตาก็เป็นอัตตาอัตมา จ, จะอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นความหลงของนักปราชญ์เรายุบหลังเนี่ยเป็นความหลงหลงของที่ตรงไหนรู้ไหมเขาบอกว่าสัพเพท昙ทมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา จึงบัญญัติว่านิพพานเป็นอนัตตาโดยด้วยคำนี้ด้วยภาษานี้คือเอาพุทธพจน์มาพูดกันเลยนะแต่อาตมาใช้คาว่าแต่แต่ว่าที่พระเจ้าทรงตรับที่แท้จริงนั้นคำว่าสังคาตกับอสังคตะนั้นพระองค์ทรงตัดสับโดดโดดว่าสังคตะกับอสังคตตไม่มีคำว่าธรรมในนั้น ไปดูบาลีให้ดีบาลีมีแต่คําว่าสังฆตะอสังฆต์ไม่มีคําว่าสังฆธรรมอสังฆธรรมไอ้ธรรมเนี่ยเราไปเติมเข้ามันก็เลยไปเหมารวงว่าสัพเพธรรมาอนตาพรมีคําว่าธรรมมันจะมีเนื้อเกิดขึ้นเลยใช่ไหมใช่เนื้มันมีเนื้อเกิดขึ้นเลย<อ>ถูกมันมันเลยมีมีสภาพ อ, อ, อะไรเกิดขึ้นเนื้นขึ้นเลยเราจะลืมว่าพระนิพพานเป็นสภาพที่เป็นบีมูทคือพ้นแล้วนะพ้นจากการบัญญัตทั้งหมดคาว่าพ้นเน่ยคือ ไม่สามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นอัตตาเรือนะตาผู้เชี่ยาบอกได้ว่าเป็นเพียงแค่อสังขตะบาลีกล่าวไว้ว่าอสังขตธรรมมีลักษณะสามคือไม่มีจติไม่มีอุปาติและอะไรไม่ไม่มีการดับ ไ, ไ, ไ, ไม่มีการเกิดไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีการดับมีลักษณะสามใช่ไม้ม แต่สังขตะมีลักษณะสามคือไม่เที่ยงไม่คงที่คืออาพลังเอาอนิจังทุกขงังอนัตตาอนัตตาจึงเป็นลักษณะของสังข า, ารเพราะฉะนั้นเราจะ<ม>บัญญัตินิพพานว่าเป็นอนัตตาไม่ได้ไไดเพราะในนิพพานไม่มีลักษณะเป็นอนัตตาลักษณะลักษณะแห่งความเป็นอนัตตาไม่มี ไม่ไม่ไม่อะไรอะไรเขาบอกเอาไม่ใช่อนาตางั้นก็ข้าวฝาข้ามฝ่ายอัาตาสี่มันเที่ยงอ่ะมันนิดจังอ่ะมันเที่ยงะมันมีใจรักอยู่มันมันมันสุขขังอ่ะมันคมที่อะแล้วก็มันเป็นที่จริงบุมที่คนไม่ได้มองเนี่ยนะที่จริงอันนี้การผู้ขังอนาตางมันจะเป็นสามาในลักษณะอยู่ใช่ไหมมันเป็นลักษณะเออมันเป็นเครื่องบ่งบอกอนาตานี่คือบอกลักษณะของสังขารอนาตาลักษณะใช่ใช่ใช่นี่ เพราะว่าแต่ลักษณะของนิพพานนี่เขาบอกว่าเกิดไม่ปรากฏตั้งอยู่ไม่ปรากฏดับไปก็ไม่ปรากฏแสดงว่าไม่เกี่ยวกับอนาตตาเลยนะไม่เกี่ยวกับอนาตตาเกี่ยวกันเลยเลือกเลยไม่คนละสวนกันเลยเราไม่ปฏิจจ์เกี่ยวกับสังขารไม่เกี่ยวเนี่ยเราหลงเราหลงประเด็นในนับปราหลดยุคหลังมาเราหลงประเด็นในในภาษาที่ใช้กันองนั้นเราหลงประเด็นเมื่อเราหลงประเด็นตรงนี้มันเลยเกิดการเป็นการพูด แง่มุมในธรรมที่ขาดเคื่อนทีนี้ในส่วนของฝ่ายตาดายาตนังว่าพันิพันธ์เป็นอนัตเป็นอัตตาเนี่ยเพราะว่าเมื่อเมื่อพันิพันธ์มีอายตนะนิพันธ์ก็ต้องเป็นอัตตาเพราะเป็นอายตนะอยู่อัตามาจะอธิบายให้ให้เข้าใจว่าหาเราแปลอายตนะว่าเครื่องเชื่อมโยงหรือจุดเชื่อมโยงเราก็ต้องบอกว่า สิ่งที่เชื่อมโยงไปถึงนิพพานมีอยู่ใช่ไหมหรือนิพพานสามารถเชื่อมโยงกับใจของผู้ปฏิบัติได้อยู่แต่บุกใจดวงใดที่เชื่อมโยงกับพระนิพพานแล้วคือเรียกว่าอายตนะ น, นะคือเชื่อมต่อกันมีการเชื่อมต่อใช่มีการเชื่อมต่อถ้าไม่มีการเชื่อมต่อจะมีการบรรลุถึงได้ไหมเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อการบรรลุถึงก็ไม่มีไง แต่เมื่อมีการเชื่อมต่อเนี่ยมันจึงมีการบรรลุถึงตัวที่จะนิพพานที่จะเชื่อมตอ่อจิตได้ก็คืออจิตที่จะเชื่อมตอ่อนิพพานได้คือมัคคจิตที่เป็นอรหัตตมัคคจิตอรหัตตมัคคจิตเชื่อมต่อกับนิพพานเมืม่อ阿拉หัตตมัคคจิตทำหน้าที่เชื่อมต่อกับนิพพานนิพพานก็กลายเป็นเครื่องเชื่อมต่อกับอรหัตตมัคคจิตเมื่อเชื่อมต่อกันแล้วพุ๊บก็เกิดการทำลายจังหวะที่ทำลายนั้น มันก็จะเกิดผลอรหัตตมัคาจิตที่เข้าไปสัมผัสนี่นะพอมันเกิดผลแล้วปั๊บเนี่ยตัวอรหัตตมัคาจิตนี้ก็ดับก็เป็นผ ล, ลจิตผ ล, ลจิตเกิดขึ้นหมายถึงว่าสภาพของพระนิพพานที่เชื่อมต่อกับจิตเมื่อเชื่อมต่อแล้วนิพพานเป็นธรรมชาติที่เชื่อมต่อแล้วดับพอเข้าใจไหมเมื่อเชื่อมต่อแล้วดับปั๊บเนี่ย การที่อรหันต์มรรคจิตเชื่อมต่อกับนิพพานปุ๊บแม้ในขณะเชื่อมต่อนั้นจะเป็นการเชื่อมต่อด้วยสังขารธรรมสื้อสังขาธรรมที่เป็นมรรคจิตเข้าไปเชื่อมต่อแต่เมื่อเชื่อมต่อแล้วรู้แล้วชัดเจนแล้วปับมันจะดับดับสังขารทั้งปวงเพราะนิพพานมีอํานาจในการดับสังขารทั้งปวงดับหมดเลยจึงไม่ปรากฏว่าเป็นอัตตาในนั้น อนัตตามไม่ใช่อัตตาก็ไม่ใช่อัตาก็ไม่ใช่ั น, น, ชนเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแค่นั้นเองการที่เขาบัญญัติว่าเป็นอัตตาเนี่ยโดยอาศัยพราหมณ์อายจตนะเนี่ยผิดในขณะที่เป็นอายจตนะนั้นน่ะเราบัญญัติอัตตาได้อยู่แต่นิพพานเนี่ยไม่ใช่อายจัตนานะแต่พระองค์ทรงใช้คำว่าการเชื่อมต่อหรือเชื่อมไปถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกวันทัดวิลาวท่าข้ามอายจัตนะเหมือนกับท่าข้ามเมื่อข้ามไปแล้วท่าข้ามเนี่ย ไม่ได้อยู่ในนิพพานถ้าข้ามก็เป็นท่าข้ามคือมรรคแปดเนี่ยเป็นท่าขา้ามเป็นเครื่องข้ามใช่เป็นเครื่องข้ามพอข้ามไปถึงแล้วมรรคแปด ก, ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเนี่ยพอผู้ข้ามไปแล้วก็ก็ดับไปแล้ว้แลวก็งมหมดแล้วไม่ใช่ว่าข้ามไปแล้วมรรคแปดว่เข้าไปอยู่ในนิพพานด้วยไม่ใช่เพราะนั้นอายตนะที่ว่าเครื่องเชื่อมต่อเนี่ยจึงอายตนะเป็นอตายจริงแต่นิพพานไม่ใช่อตาย ความว่างเปล่าเลยครับมันก็ไม่ใช่ว่างเปล่าจะว่าว่างเปล่าก็ได้เพราะนิพานนำพลังมังสูญญ์ยังเพราะไม่มีทั้งหน้าตาแล้วไม่มีอากาศไปตรงนั้นก็คือจะว่าว่างเปล่าก็ได้คือพูดในในแง่ของการที่เรายังไม่ปีนเห็นี้เขรียกว่าว่างเปล่าเพราะพระพุทธเจ้าก็มีบัญญัติให้เขาว่าสูญญ์ยังสูญญ์ยังแปลว่าว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่าในความหมายของพระพุทธเจ้าคือว่างเปล่าจากความเป็ความไม่ได้ตัวตนทั้งหมดใช่ แสดง ว, ว่าหน้าตากับอัตตานี่ก็คือเอามาใช้ใช้ปฏิบัติก่อนจะไปถึงนิพพานถูกก็เลยมาถกเถียง ก, กันว่าหน้าตากับอัตตาเปนนิพพานที่จริงก็มีมีเส้นแบ่งเขตประเด็นประเด็นนี้ชี้ไม่ขาดแ ล, ล้วก็มีการถกเถียงกันเพราะขบตรงนี้ไม่แตกและไม่เข้าใจการปฏิบัติที่เข้าไปถึงจริงเราไปตีเหมารวมรวมรวมเอาเองที่ถูกแปลมาเนี่ยนั่นเนี่คือไม่ไม่จับ บาลีที่แท้มาครับ<ะ> ไ, ไม่จับตัวบาลีมาพิจารณาวิเคราะห์กันไปจับแต่คําแปลมาว่านิพพานเป็นนั่นเป็นนี่กันขึ้นมามันมันเลยเกิดความเสียหายทางทิฏฐิคือความเห็นในผู้ยึดถือและผู้ปฏิบัตินี่คือการขาดความรู้ความเข้าใจมันเลยเกิดเ ป, ปน <ถก S 2> ็นปัญหาเนี่ยถกเถียงกั น, นไม่มีทางไ ม, ไม่จบสิ้นเลยนิพพานคํานึง่งแล้วก็จิตตัง พระสอนนี่ทางกาอางสือการเนาะที่ว่ามจิตเป็นพระพศนจิตเป็นสอนนี่ที่มันจิตเดิมอ่ะมาตีกันยุ่เ้านเลยได้ทให้เออมันหยุดแล้วไม่ต้องทาอะไรก็ได้เนาะไปเลยถ้าพูดถึงถ้ามีจิตเดิมแท้มันก็ต้องมีมีความหนาแนานหากคนที่เจริญนิปัสนาจริงเขาเขาเห็นการเกิดการดับอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราไปเห็นธรรมชาติของวฏพันธ์ที่ไม่มีการเกิดการดับ มันจะแยกกันชัดเจนเลยมันจะมันจะไม่มีการงงสงสัยลังเลหรือไม่แน่นอนใจว่าอะไรเป็นอะไรมันมันมันมันมันมันเันมันก็แปันมันมักมันมังมันมาเขียันมันมันมันมันมันมันเปนนมันมันมันมันมันมันมันมกนเันมันมันมันมัเมยนมันมักันมันมันม่นมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันเันมันมันมัมันมันมันมันมันมัันมัมมัมันมันมัมม เปรียบเทบไปเห็นชัดขึ้นเนาะเดื่ลักษณะของจังตุขานันตาถ้าเป็นนันตาก็จะงโยนลักษณะอยู่อร<ช>ือว่าไปก้อนอยู่หรือว่าเนาะมันให้เห็นรูปเป็นเนื้ออยู่เ น, <ช>นี่ยถ้านิพพานไปแล้วก<ช>็ไม่ใช่แล้วเนาะนิพพานมันมีแต่จิตถือว่ามีแต่จิตมันมีแต่แต่จิตนั้นบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่จิตดั้งเดิ ถ้าตมาจะบอกว่าถ้าตมาจะบอกว่านิพพานไม่มีจิตล่ะจิตมันเป็นผลที่มันไม่เกิดไม่ไม่ไม่ไปไหนไม่ได้เดีเราเราจะลืมนะจิตปุถุชนนะจิตปุถุชนเมื่อก้าเข้าถึงโซดาบันปั๊บเนี่ยเป็นอริยญาตจิตปุถุชนดับไปหมดแล้วนะไม่เหลือเลยนะคือดับไม่เหลือแล้วเหลือแต่จิตจิตของคุณสมบัติของโสดาบันจิตเมื่อเข้าสู่สกาธาฟามีจิตโสดาบันมันดับไปหมดแล เกิดมีความเป็นสกัธาคามีขึ้นเมื่อเข้าถึงอนาคามีจิตที่เป็นอนาคามีดับไปหมดคนะัพร้อมด้วยมรรคและผลก็ดับไปหมดครัมรรคและผลของอนาเอ่อสกัธาคามีเมื่อจิตเข้าสู่อรหันต์มรรคและผลในดวงจิตของอนาคามีก็ดับไปหมดแล้วทั้งมรรคทั้งผลดับไปหมดเลยจริ ง, รงๆมรรคก็ดับไปเมื่อผลเกิดขึ้นมรรคก็ดับได้เลย mm hmm. เมื่อพระอรหันต์ปาริฎิพานจิตดวงสุดท้ายดับปับ๊บ ไม่เหลือเลยนะไม่เหลืออีกก็ม่เหอแล้วอะไรเข้านิพพานด้วยของผลของจิตคุณสมบัติของจิตของอรหัตตมัคคิตนะอ่าเป็นคุณสมบัติของลัคนาของนิพพานใช่ก็จะเกิดเป็นคุณสมบัติของนิพพานนั่นเองที่รู้แจ้งนิพพานแล้วการรู้แจ้งนิพพานแล้วเป็นคุณสมบัติของอรหัตตผลอรหัตของพระอรหันต์จิตของพระอรหันต์เมื่อคุณสมบัตินั้นจิตดวงนั้น นิพพานเป็นคุณสมบัติของพระอหันต์แล้วก็คุณสมบัตินั้นแหละเป็นผู้นิพพานถ้าถึงนิพพานบานจะเป็นจิตเป็นดวงเป็นอะไรไม่ใช่ใชใชแต่เป็นคุณนะสมบัติเ<ช>นี<ร>่ยเข้าใจแลว้วเข้าใจอยู่เพราะฉะนั้นอาจารยังบอกว่าจิตในนิพพานก็ไม่มีเหลือแต่คุณสมบัติตแห่งความหมดจดวิสุทธิความไม่ปรุงแต่งทั้งมวลแสดงก็ไม่ใช่ความว่างเปล่าครับเป็นคุณสมบัติก็ว่าจริงๆนะ ก็ว่าจริงๆเอ่แต่ว่ามันมันมีคุณสมบัติสูงคุณเจ้าจึงบอกว่าเมื่อเข้าถึงตรงนั้นน่ะเสมอกันหมดเลยทั้งคุณเจ้าทั้งสาวกเสมอกันหมดมีคุณสมบัติเดียวกันคือรู้นิพพานในเดียวกันมันเป็นสภาวะธรรมนะอันนี้ก็เหมือนกับตอนนี้อ่ะคุณสมบัติในจิตของเราตอนนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเราก็ยังรู้รับรู้คุณสมบัติในจิตของเราอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมล่ะเมื่อเขาที่ผ่านทําไมความรับรู้ในตรงนั้นจะไม่มี ก็คุณสมบัติเหล่านั้นยังแสดงความเป็นนิพพานในตัวของมันเพราะคุณสมบัติที่รู้นิพพานนั่นเองจึงเหมาะกับความเป็นพระนิพพานจึงเหมาะที่จะอยู่นิพพานคุณสมบัติของจิตดวงใดที่ยังเป็นไปในปัตตะก็ยังต้องเป็นไปหากคุณสมบัติดวงใดเพียงพอที่จะเป็นเป็นกำเนิดสัตว์ด้วชั้นจิตก็จะไปจุติในกำเนิดสัตว์ด้ฉันอย่างคุณสมบัติดวงใดเพียงพอที่จะเป็นเทพจิตก็เป็นจุติเป็นชั้นเทพแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในชั้นเทพชั้นพรใช่ไหมล่ะ คุณสมบัติของจิตดวงใดที่รู้แจง้งนิพพานแล้วคุณสมบัติของจิตดวงนั้นก็สุขอยู่ในนิพพานอนิบาลนางพลังังสุขขังอยู่โน่นแหละแต่ไม่ใช่สุขแบบชาวโลกโอ่ะไม่ใช่สุขแบบอาเซบเ ส, สมอ น, นะแต่มันเป็นความสุขแบบไม่ไม่มีความทุกข์ไม่มีจุติไม่มีอุปาติไม่มีการเกิดการตั้งอยู่การดับอย่างเงี้ย ม, มีการพัดพาก ม, มีการทีพลิ้นที่ไลลาพันธสุขแบบเหมนเราว่าอะไมไ่ยึดไม่เห็นไม้มีกเลส ก็ก็ยังเป็นการเดาอยู่ต้องคนปฏิบรรรัตินะทรานอาจารย์ถ้อย่างนั้นเราจะมองเป็นความว่างเปล่าที่จริงยังไม่ใช่มีความว่างเปล่ามันยังมีคุณสมบัติของจิตอยู่ในในั้นอีกใช่อีกชั้นนึงเพราะพระพุทธเจ้าส้มตัดลักสังขาตะกับอสังขตะไว้แค่สประการสองประการว่าส่วนที่เราเป็นอยู่คือส่วนของสังขาตะส่วนที่เราจะพ้นไปคือส่วนอสังขตะคือพ้นจากสังขตะทั้งปวงคืออสังขตะ ก็มีสองส่วนนี้เป็นแค่นี้เองเมื่อเราอยู่ในส่วนของสังขาตะกสังขาตะก็ต้องทำหน้าที่ในส่วนของสังขาตากไปตามตามลักษณะแล้วก็รับรู้ลักษณะของสังขาตะนี้นข้อนี้สาคัญมากเลยนะข้อนี้นี่รือว่าเป็นเป็นการตอบโจทย์โดยมีเหตุผลที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่จะสร้างทิฏฐิให้เป็นความเห็น ที่ถูกต้องตรงกันในหมู่ผู้ศึกษาธรรมะเพราะการศึกษาปริยัตแบบปริยัติก็จะจับแต่ภาษาของปริยัตมาเป็นบทบรรยัติไฟศึกษาแบบปฏิบัติก็ปฏิบัติเนี่ก็ก็ก็พูดธรรมะในชั้นของการปฏิบัติบางทีก็ละเลยปริยัตไม่เอาทั้งปฏิบัติทั้งปริยัติเข้ามาทําให้เกิดความสมบูรณ์พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อมีปริยัติก็ต้องมีปฏิบัติก็ต้องมีปฏิเวท มันถึงจำลงรอยกันหมดทุกส่วนสขั้นตอนใช่บางฝ่ายนี่ถ้าเป็นฝ่ายปฏิบัติเนี่จะยึดถืออาจริยว่าน์ถ้าฝ่ายปริยัติก็ยึดถือตัวหนังสือถ้าฝ่ายพุทธวจนะก็ยึดแต่สิ่งที่แปลมาแล้วว่าเป็นวจนะของพระพุทธเจ้าของแปลนะมัอนเราไม่ยอมรับวัจนะอื่นก็ก็ปลายเป็นอย่างนี้เราในหมู่ชาวพุทธเรา ปัญหาเรื่องวนยุคานทีนี้มันมีคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจที่เราได้ทําการสักการะพระศรีมหาโพธิในวันนั้นมีคนแสดงเข้ามาว่ า, าการสักการะพระศรีมหาโพธิเนี่ยจัดเป็นอาบุญอุชาได้บุญแต่ไม่ได้กุศลอตาตมายอยากจะ ตั้งประเด็นตรงนี้ขึ้นมาพูดคุยกันว่าการสักการะพระศรีมหาโพธิเนี่ยเป็นอามิดบูชาหรือเป็นปฏิบัติบูชาเป็นปฏิบัติบูชาในแง่ไหนม่แง่ที่เราเคารพในในภระาทเาเป็นสัญญาณไหมครับไม่ใช่สัญไม่ใช่สัญญาณต้องต้องพิจารณาให้ดีนะต้องแยกแคยนะเราจะมาใช้ การมองผิวเผินลวกๆไม่ได้เรื่องนี้เรื่องเรื่องที่เราจะต้องมีมีเนี่ยมุ่ ง, มงที่ละเอียด เ, เพ็ยพอใช่โยมจี้พูดถูกเพราะอะไรเพราะผู้ทีเจ้าอนุ ญ, ญาตให้ทำํำผ<อ>ู้ทีเจ้าอนุญาตให้พระอนนทำก่อนเป็นครั้งแรกแล้วพระานุนก็ทําใช่ไหมนะ<อ>สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าอนุญาตไว้แล้วเราทําตามหลักคําสอนนั่นคือเป็นปฏิบัติส่วนอามิ t h ก็คืออะไรอ่าวัตถุเจ้าไหมวัตถุคือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเรียกว่าอามิตรอ๋ออันนี้มีการอนุญาต เราแยกคําว่าอา m i t ์นี่ออกกับปฏิบัตินี่ออกเราไปเข้าใจว่าการกราบสักการะพวกนี้เป็นอา m i ต h จริงๆไม่ใช่การสร้างวัตถุชื่อว่าอา m i ต h เป็นอา m i ต h บูชาการปฏิบัติการสักการะบูชาในพระศรีมหาโพธิถือว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองคอนุญาตให้พระอานุนโพงค์สั่งพระอนนุ์ให้ทํำแล้วพระองค์ก็บอกปู่เธออนุ์นะเนี่ยพระศรีมหาโพธิเนี่ย เมื่อเธอนําไปปลูกแล้วก็เท่ากับว่าพุทธองค์ยังทรงอยู่พระองค์ก็อนนตตรธรรมตามแล้วก็พายโยนยมทําในการสักการะบูชาก็ถือว่าการทาตามคําสอนของพระเจ้าชื่อว่าเป็นปฏิบัติบูชาเราได้ทั้งอามิ t h คือการสร้างสร้างลานแล้วก็สร้างเราระเบียงให้โคลประทีปพวกนี้ถือว่าเป็นอามิ t h แล้วก็ปฏิบัติบูชาโดยการสักการะพระศรีมหาโพธิประดุดังการสักการะพุทธองค์เราได้ทั้งสองส่วนแต่เราถูก แสดงความคิดเห็นมาในแง่มุมเดียวว่าเป็นแค่อามิตบูชาไม่ได้กล้าเข้าสู่ปฏิบัติบูบชาเป็นการเป็นการแสดงความเห็นในแง่มุมแง่เดียวมองกันแค่ผิวเผินแสดงวัดว า, ารามนี่ก็ออกทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้ตัดไม่ได้สร้สางให้สร้างคือที่เราสร้างกันอารามนี้พุทเจ้าให้สร้างนะปลูกอารามหมู่ไม้ต้นไม้พวกเนี้ยเป็น เป็นเป็นเป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงอยากเป็นอามิตรเป็นอามิตรแต่มันใหางอามิตรอบูชาแต่อาศัยอารามนั่นอ่ะเป็นที่สืบทอดศาสนาก็เป็นปฏิบัติบูชาอ๋อแต่ต้องเข้าใจคาว่าเป็นอามิตรเรามันต้องมีทั้งอามิตรทั้งปฏิบัติครับอ๋อทั้งอามิตรบูชาทั้งปฏิบัติบูชาแต่บรรดาอามิตรบูชากับปฏิบัติบูชาพี่เจ้าสารเสริญการปฏิบัติบูชา เนี่ยคือสิ่งที่ว ง, งสองสามอาศยัยในการปฏิบัติคือมีการแยกอามิทว่ายังมีเหยื่อก็ไม่มีเหยื่อใช่ไหม <c oughs> ถ้าคือมันก็มีการที่ว ง, งสองสามว่าสุกอิงอามิ อ, อกับสุกไม่อิงอามิทใช่ไหมสุกอิงอามิทก็เ็เรืว่าอิงอิงอยู่กับวัตถุข้อขอ ง, ข อ, งอันนั้นเราไปเทียบได้ืมเ า, า, าไม่อิงอามิทก็คือเราวันนี้รามสุก คือสุขไม่เพงไม่พบสุขในฌานสมาธิอิปัสสนาสุขในการฟังธรรมพวกนี้ไม่มีอามิต h ไม่ใช่อามิธในการเราไปบูชาพระศรีมหาโพลเราก็ได้ตรงนั้นใช่ใช่ไหมครับไม่ได้อิงอา mith เนาะเราพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อิงอา mith เพราะว่าเราสักการะพุทธองค์ครับไม่ได้อิงอา mith เาปะุกจากอิงอาภิมาคือว่าสร้างวัตถุใดอย่างใดอย่างขึ้นมาแล้วยึดติดอยู่ในวัตถุนะอย่เช่นว่าเสาศาลาที่กูสร้างหน้าต่างที่กูสร้างหลังคาที่กูสร้างอะไรประเนี้ปีติอิ่มใจสุขอยู่กับความพอใจอันนั้นคืออิงอากิมา สักการะผู้เทธเจ้าบูชาพู้ท่องค์เนี่ยที่เราได้กระทํากันเป็นเป็นทั้ง อ, อาหมิตรเนี่ยเราได้สร้างกันมาแล้วเนาะสถานที่โดยอ า, อาศัยวัตถุถ้าไม่อาศัยวัตถุการอาศัยสถานที่เพื่อเป็นที่สักการะก็ถาว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่าความเคารพที่จะให้ความเคารพต่อองค์พระหาโพธิเนี่ยที่เราจะทํากระทําได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากภายนอกที่พระองค์ทรงจัดการวัตถุภายนอกให้ดีแล้วก็ เนื้อใจความมันี้่งคือการปฏิบัติบูชานั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าทิ้งไม่ใช่ดิ้งอามิทเพราะฉะนั้นแล้วเวลาปฏิบัติบูชาโดยการสักการะพุทธองค์เราก็จะโน้มนํามาสู่การประพฤติปฏิบัติในการที่องค์ทรงสอนเราต้องแยกให้ออกครับอาจารย์ว่าสองอย่างเนี่ยอามิตทกับอิงอามิทเนี่ยคือเราต้องแยกให้ออกว่าอันหนึ่งคือเหมือนเราเราสร้างมาเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือ อาบิธอะไรหรือการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเทียบได้ว่าที่พงค์บอกว่าสร้างวิหารทานถวายสงฆ์แม้จะได้บุญมากแต่ก็ไม so ่มากเท่ากับการแผ่เมตตาใช่ไหมล่ะอาภัยทานหรือแผ่เมตตาแผ่เมตตาแม้จะได้บุญมากแค่ไหนก็ตามแผ่เมตตานี้เป็นอิงอาบิธหรือไม่อิงอาบิธไม่ได้อิงนะอิงหรือเป่าไม่อิงอิงบุคคลไหมบุคคลนี้ควรแผ่บุคคลนี้ไม่ควร ยังยิงอยู่เลยมีทั้งสองอย่างใช่ไหมมีทั้งยิงมีทั้งไม่อิงแต่ที่แท้จริงแล้วคำว่าเมตตานี้เกิดจากจิตใช่ไหไม่ได้เกิดจากบุคคลบุคคลเป็นเพียงแค่ผลแห่งการแข่งเพราะฉะนั้นเกิดจากจิตใช่ไว่าไม่อิงไม่ิงไม่ิงดีเราก็ต้องมีคนมาให้มันมีอย่างอยนสองอย่างรวมกันเลยล่ะโอ้ที่ณาวนาคือใจตรงกับไม่อยตรงใช่ อ่าใช่ใช่อ่าแพรแบบเจาะจงกับแพรแบบไม่เจาะจงต้องมีใช่ฮะมีถามความเป็นเมตตาจริงๆเนี่ยเรือองค์ของเมตตาจริงๆไม่ไม่มีอามิ t h อ่าถูกต้องเป็นมันมันผู้เยาว์วะผู้องค์จึงบอกว่าวิหารธานเป็นอา m i t อยู่เนาะครับจึงมีอนิสงค์น้อยกว่าหรือบุญน้อยกว่าการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาแม้ไม่อิงอา m i t ได้อนิสงค์มากกว่าก็จริงแต่น้อยกว่าการเห็น ความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงหนึ่งครั้งไม่ได้แม้เห็นความไม่เที่ยงคือเห็นเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการดับอะไรเงี้ยอย่างที่อาตามาเปอียบยงวานว่ะเราสามารถเห็นได้ไหมว่าตอนตอนที่เรานอนตอนที่เรานอนอยู่เนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยกายที่นอนอยู่เมื่อลุกขึ้นมาแล้วกายที่นอนอยู่ก็ดับจิตที่ รับทราบอยู่กับการนอนก็ดับหเหลือกายที่ลุกขึ้นมาและจิตที่รับทราบกับการลุกตัวนั้นดับไปหมดแล้วนะเมื่อเราลุกขึ้นมาจิตและกายที่เกี่ยวโยงกันอยู่เมื่อก้าวออกจากห้องจิตและกายที่ยืนอยู่หลังจากนอนนั้นก็ดับจิตก็ดับกายก็ดับกลายเป็นว่าเหลือกายเดิน กับจิตที่รับทราบการเดินเมื่อเดินออกมาจากห้องแล้วมานะากายที่เกิดจากการเดินจิตที่รับทราบการเดินดับเหลือแต่กายที่อยู่กับการนั่งและจิตที่รับทราบการนั่งการดับเราเนี้ยเป็นการดับดับดับดับดับดับโดยไม่เหลือเลยนั่นดับไปหมดดับเหลือแต่ความเป็นอยู่ในขณะนี้เมื่อนั่งปุ๊บทากิจใดก็ตามกินดื่มทําเคี่ยวหรือ เหยียดคูเหลียวแรสภาวะกระทําเมื่อล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วดับดับไปหมดแล้วเกิดเกิดกายเกิดจิตใหม่เกิดกา ย, เ ก, กายเกิดจิตใหม่เกิดกายเกิดจิตใหม่เกิดกายเกิดกจิตใหม่ของเก่าล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปอานิสง์เยอะกว่าการแผ่ในตาทีนี้เราบอกว่าราที่เห็นอย่างงี้ดับดับดับดั บ, ดบตลอดเวลาได้ไหมไมันเห็นไม่ได้ในขณะที่ขับรถมาจากแม่สายทุกๆุวินาทีเนี่ยล่วงไปล่วงไปเนี่ย ดับดับๆไปตลอดเราเห็นได้ไหมเห็นกายเราดับไปหมดแล้วเนี่าจิตเราดับไปหมดแล้วนี่าล่วงไปล่วงไปล่ที่มันดับไปหมดแล้ววนี่าเห็นไหมอันนี้สมน้อยอะไรไม่ได้อันิี้สมของตัวนี้นะคนที่เห็นนี้าเป็นจ้าคนลไเพราะขนาดไม่ใช่บุรุษชนนี่แหละเห็นแต่เห็นด้วยพีปัสนาเห็นด้วยพ่ปัสนาการไข้ควนอ๋อเกิดจากการไวใช่เกิดจากการไวเห็นได้้วยการไข้ควรพูดอย่างนี้เราสามารถมองเห็นได้ใช่ไหมเอาสมวนเพว่าเรานั่งอยู่ตอนนี้จิต กับกายก็รับรู้รับทราบเกิดอยู่กับการนั่งทันทีลุบปุ๊บจิตกับกายที่รับรู้การนั่งเนี่ยดับใช่ไหมเหลือจิตกับกายที่เกิดรับทราบกับการยืนเห็นไหมขยับทีหนึ่งปุ๊บอันของเก่าดับไปแล้วอันของใหม่เกิดขึ้นมาแทนกันใช่ไหมใช่ครับผู้กำจัดเหมือนอาจารย์พูดนี้ถ้าเราเปรียบเทียบการขับรถมาเราจะรู้เลยเนาะใช่จัดทั้งหมดนะจิตใช่เจ็บตบตบเปป๊บนี่ยนะ ใช่เป็นไปรู้กีครั้่ะถูกนั่นเราเราเห็นเห็นด้วยการไถ่ครวรอย่างนี้แหละ <c oughs> ถ้าเราไถ่ควรนี้เราจะเริ่มเห็นมโนเส้นมโนภาพขึ้นมา <c oughs> ใช่ไหมมโนนึกขึ้นมาเพราะจักอาศัยมโนนึกเข้าไปเรื่อยๆรอือยรื่ื่อยอยาลืมนะพระเจ้าบอกว่า <c oughs> ตึกนึกสิ่งใดมากจิตย่อมโนเอียงไปไ ป, ไปรู้สิ่ง น, นั้นมากเมื่อตึกนึกมาเข้ามาเข้ามาเข้าเข้าเข้าตามตามกระบวนการแห่งการรู้การดับดับดับดับดับร่วงไปร่วงไปร่วงไปร่วงไปร่วงไปอยู่ทุกๆขณะ เมื่อจิตเข้าไปสัมผัสกับการเห็นอย่างชัดแจ้งเป็นวิปัสนาอย่างแก่กาแล้วเนี่ย เ, เมื่อนั้นแหละเราจะรู้อ เ, เองว่าโอ้หอริสง์มันนี่สุดยอดกว่าแผ่นนั่งแผ่เมตตานั่งแผ่เมตตาส่งผลไปชั้นพมโลกนะเมือม่อเมือม่อไม่บรรลุธรรมตายไปได้ย่อมไปจุติพมโลกแต่การเห็นการเกิดการดับเนี่ยจะทําให้เกิด โ, โสดาปฏิมาโสดาปฏิมามีผลสูงกว่าการเห็นการเกิดดับอยู่โซดาปฏิมาโสดาปฏิ พอโซดาปฏิมากมีอนิสง์มากกว่าการเห็นาการเกิดดับส่งผลให้เกิดเป็นโซดาปฏิผล ม, มีผลมากกว่าโซดาปฏิมากตามลำดับอย่างนี้ไงไม่ที่ไม่ยิงอ า, อาอบิดเพราะฉะนั้นแล้วหากเราทราบการดับดับดับดับดับดับด เ, เป็นเรื่องสุตวิสัยไหมไม่สุดวิสัยนะั้นรู้ได้กันนะเข้าใจกันได้<ต> ยากไหคใครจะไปรู้เนอะหรือเพื่ น, นอนขึ้นมาแล้วร่าง<า>กาย<ว>ที่นอนดับไปแล้วจิตที่รอบรู้กับการนอนดับไปแล้วนั่งตอนนี้นั่งจิตที่รอบทราบ ก, กับการนั่งกายกับเกิดขึ้นมาเป็นกายใหม่ลุกขึ้นกายกับจิตในขณะที่นั่งดับไปหมดแล้วเหลือกายกับจิตที่เดินลุกขึ้นยืนก้าวเดินออกไปกายกับจิตที่ยืนดับไปหมดแล้วเหลือกายกับจิตที่ก้าวเดิน เมื่อก้าวเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวกายกับจิตที่ก้าวเป็นล่วมไปแล้วก็ดับไปหมดแล้วกายกับจิตดวงนั้นดับดับดับดับที่มันดับหมดนี่มาเนี่ยจะเหลืออะไรนะเกิดดับเกินดับตลอดเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะจิตมันจะเกิดเข่าว่าปัญญาเครื่ออะไรบางทีบางทีเขาจะใช้ว่าสำรวจสังเวชหรือว่าเกิดเวอตื่นรู้ก็มีบางทีก็เอะอะไรประเภทนี้ประเภทว่ารแล้วมันดับอยู่ตลอดเวลานี่ว่า หเอ้ย น, oh, นี่มันตัวเราหร okay. ือมันอะไรจิตมันค่อยเจาบลึกเๆาลึกเลึกเข้าไปเรื่อยไปเห็นความจริงสุดท้ายจะไปเจอความว่างปั่ไม่มีอะไรเลยเหลือมันกระหน่ำพอเราจะมองอนาคตได้เลยว่าเราทำอะไรก็คือดับแน่นอนอย่างเงี้ยพทธเจ้าจึงไล่อนิสงไปตามลำดับเพราะนั้นการที่วงสงให้สอนให้ทานเริ่มจากอมิิรก่อนใช่ไหมซีนเริ่มไม่มีอาริธแล้ว สมาธิก็เลยไม่มีอาวิธและปัญญาก็ไม่มีอาวิตแล้วเฮ้ทานนวัตถุเป็นอาวิธอย่างเดียวนะไ อ, ไอสิ่งเหล่านี้เป็น อ, อิงไม่อิงอาวิธแต่เป็นนิยามิตธไม่ใช่อาวิธแต่ทานนวัตถุก็สอนไปเยอะเหมือนกันเนาะ ท, ที่ส่วนของบททานแย่ประเทศเยอะอย่าง ป, ประเทศเยอะเหมือนกันนะการที่พระองค์ทรง อนุญาตอามิตบูชาไว้ก็เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังยินดีในวัฏฏะคืออนุเคราะห์พวกที่ยังพอใจในวัฏฏะอยู่ผู้ได้เจ้าถึงแม้จะรู้ว่าอามิตบูชาเนี่ยจะไม่พาคนคนทุกก็จริงแต่ว่าพวกที่ยังตะเกียกตะกายในวัฏฏะนี่ยังยังยั ง, ย, งยังจะเป็นอีกยืดยาวนานอกค์อนุเคราะห์พว ก, ก น, นี้<ต>อย่างน้อยเข า, ขาได้ทดําอามิต <ใน S 2> บูชาแล้วเขาก็จะไม่ลำบากในวัฏฏะมีทุกข์อยู่ก็จะมีสุขเพนพวกเนี้ยไปค่อยบัเทือกงอนุเคราะห์พวกเ น, นี้ย และก็อนุเคราะห์ผู้ที่เป็นอยากจะออกวาตาุด้วยก็เลยสอนทั้งสองส่วนไว้ทีนี้เราก็มาเราเราเราเรียนคำสอนพี่เจ้าไมา่ฉลาดแล้วก็บอกเอ้าอนิพย์ูชาที่มประโยชน์ปฏิบัติ บ, ตบตูชาดีกว่ามันได้ไมันได้มันก็เหมือนกับพระรูปหนึ่งที่ไม่เคยให้ทานมาก่อนอะให้เล <laughs> บรรลุอรหันต์เหมือนกันนะปีนารบาดไม่ได้ข้าวก็มี <laughs> มข้าวก็อาศัายไปคนทห้แหอ ใช้ไหมล่ะมีผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีผลนะอารมิ์ดีก็ก็สําคัญแต่ว่าจะให้สําคัญกว่าการปฏิบัติก็ไม่ก็ไม่เป็นที่สาคัญหรอกท่านครับางคนเ้าทําบุญเขาไม่รู้อะครับเขาก็ต้องคิดว่าอทําทําบุญทําทานพวกนี้ทาให้เขาหลุดพ้นเขาคิดได้แค่นี้เขาไม่รู้อะให้ทานอย่างเดียวหลุดพ้นอยู่แต่หลุดพ้นจากในกําเนิดชั้นต่ําสุขทุกคติแต่ไม่สามารถพ้นออกไปจากวัฏะ นันละเขาไม่เไม่ทราบเขาคิดว่าทําตรงนี้ให้ทานมากๆก็พ้นจากความอยากจนเนี่ยพ้นเนี่ยคือพ้นอย่างนี้เขาไม่เข้าใจรักษาศีลมากๆก็พ้นจากทุกคติครับทํ า, ท า, ทาสมาธิมากๆก็พ้นจากจิตที่วุ่นวายความวุ่นวายในจิตจเจริญปัญญามากๆก็พ้นจากความหลงผิดเนี่ยดีมุด <c oughs> ก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวง อ, อย่างนั้นก็ตามําดับอย่างนี้มันอยู่ที่ว่าเขาจะเอาพ้นแบบไหนแต่ถ้าเขาบอกว่า ให้ทานมากๆเขาจะรุ่พ้นจากพุทธมังวงเหนั่นแหละขนาดนั้นเขาเข้าใจเขาไม่ถูกเหตุเขาเข้าใจว่าให้ทานอย่างนี้แหละถึงจะรุ่นพ้นเพราะไม่มีใครอให้ทานเยอะบอกให้เขาให้เขารับทราบแห่งเส้นทางครับเขาคิดว่าทําบุญธรรมบุญก็คือรุ่นพ้นออกไปเลยนอนไม่ได้ไหมรุ่นพ้เขาไม่ทราบแต่ถามว่าให้ทานนี่สำคัญไหมสำคัญถ้าพระไม่ไปไปบิณฑบาตไม่ได้อาหารมากินเนี่ยสำคัญนะอยู่ๆได้ไหมพระ ไม่ได้ไมันต้องเริ่มจากตรงนั้นมาก่อนใช่ใ่ก็ต้องก็ต้องเริกก่มจากทา น, นแต่ไม่ใช่ว่าให้หยุดอยู่ที่อามิตรบูช า, าบูชา<อ>ต้อมีปัญญาครับใช่มีปัญญา ท, ทีนี้ให้ทานอย่างไรถึงจะเป็นทั้งอามิตรทงปฏิบั ต, บติบูชาครับเนี่ยทําอย่างไรถึงจะเป็นทั้งอามิตรและปฏิบัติบูชาด้วยกันให้ทานและปฏิบัติให้ทานแบบไหนถึงจะเป็นปฏิบัติบูชาด้วยให้ทานแบบไหนพิจารณาตัวเอง ให้ทานยังไงถึงจะเป็นปฏิบัติบูชาด้วยคือเป็นทั้งอามิตบูชาเป็นทั้งปฏ e. ิบัติบูชาเใส่บาตให้หนึงอะให้ใส่บาทครั้งหนึ่งเนี่ยทาอย่างไรถึงจะเป็นปฏิบัติบูชาไปพร้อมกับอามิตให้โดยไม่หวังหรือว่าให้ละละกิเลสละตัวตัวมต่ดี คนที่ใส่บาตรเขารู้สึกตัวไม่ว่าเขากําลังเป็นผู้สละความตนีออกจากจิตซุดมากไม่รู้ให้ใส่บาทเพื่ออะไรเอาบุญเพื่ออยากขอให้ข้าพเจ้าอยู่ดีมีสุขขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภขอให้ข้าพเจ้าใช่ไหมนี่เห็นไหมซุนมากไม่รู้ว่าคืออาบิษได้บุญไม่ได้บุญแต่ไม่ยอมปฏิบัติคือไม่ยอมสละความตนีออกไปมันเลยไม่ได้ตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเลยไม่ได้ทั้งมันเลยกลายเป็นแย่งเราไม่สามารถทําทั้งอาบิษทั้งปฏิบัติให้เปิดควบปูกันไป แร่งีงบมันจ้ไม่ถูกไม่ถูก่งบุญงบุญนีงอยังไงอ่ะเราไฟังยหรู้เขาขอทอะไรแล้วเราขอ่เราไม่นเะเาม็ทำอ๋อขอร่วมหน่อยอย่างเงี้ยเขาเป็นเจ้าภาพเดลกะสัาอ๋อมันมันมันก็ธรรมดาการเป็นเจ้ามันก็ต้องเป็นโอดเดียวนี่เราก็ต้องมีเจ้าคนเดียวนี่ เฮ้ยเราเป็นเจ้าเห็นไหมเจ้าในเจ้าขอในความคิดในการลงทุนอะไรอะไรแต่เข้ามาช่วยทำอะไรที่ใหญ่เขาอาจจะปาร์นาความใหญ่ก็ได้คือในความหมายว่าการที่เขาได้เป็นเจ้าเนี่ยเขาจะได้เป็นเป็นหนึ่งในในภพหน้าเป็นเจ้าเป็นอย่างน้อยก็เป็นเป็นกษัตริย yep ์เป็นพระราชาเป็นอะไรเป็นเป็นเจ้าของคนทั้งหลายเขาเลยเป็นเจ้าภาพขึ้นไอ้เจ้าภาพไม่ไม่ว่าเขาจะสิ่ใหญ่โตทํางานแล้วเป็นเจ้าภาพไม่ไม่ว่าก็ต้องการคนยินดมาช่วยนี่กใช่แต่ งานเล็กๆไม่แน่เหมือนกันนะถ้างานเล็กๆแต่ใจของเขาเนี่ยเปี่ยมเปี่ยมด้วยบุญองานเล็กๆเนี่ยเป็นเจ้าได้เหมือนกันนะได้เป็นเจ้าได้อาจจะเป็นเจ้าคนใดคนยังไม่ถึงจะเป่าเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อาจจะไม่ถึงนะเจ้าเจ้าคนใดคนนี้ได้อยู่เจ้าหนี่เจ้าหรือจะเป็นเจ้านี่เป็นเจ้านี้ไม่ไหวเลย ตามหาลูกนี้เนี่ยกันบุ้นทุกใจเป็นเจ้าไม่เลนูเป็นเจ้ามืออย่างเงี้ยเนาะเจ้าเล็กๆนอยเจ้าเล็กไม่น้อยโอ้จริงี่จริงผู้ชายแต่งานเนี่ยเจ้าาพูดใหญ่บอกไปพูดใครเนาะคนแต่งานพูใคที่จริงใหญ่เะเจ้าเบาาจ้าี้เจ้าบา ใครเป็นคนบอกเนาะใช้คำนี้เนาะจะบอกว่าเราเราใช้จ้าวไหมไม่เป็นูยิ่งใหญ่เราใช้ได้ยิ่งใดเพราะนั้นมันก็สาคัญที่เราวางจิตลังใจเนาะอยู่ในสมนติการอะไรไอ้เนาะจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างเราบูชาพศรีมหาโพธิ์เราวางใจและจะดำเนี่ะใช่ม จริงๆการศักระมันเลยมันเลยอา m i ต h มาแล้วนะมันเป็นปฏิบัติแล้วนะครับมืนเลยไม่แน่เขามองไม่ออกเขามองไปแค่อา m i ต h ไปจัดครกบมันไม่มีใครชี้แนะหรือสั่งสอนนะผมว่าที่จริงขนาดนั้นเลยเหรอครับมันไม่ไม่ทราบในโยตบอลประเทศไทยนี้ฝังราักลึกกับพุทธศาสนามานานแล้วนะมันมันรู้จักรู้เผื่อหน่อกับให้ก็หวางผลนะครับทําบุญนี่ต้องหวางผลไม่เข้าใจเลยพอมาถึงฟังวันนี้มันมีอิงอา mith ด้วยและปฏิบัติด้วย คือให้ทานก็คือเหมือนว่าสลัดความตื่นหนีออกจากใจนียคือมีใจฆ่าในการให้คือนี้ไม่ทราบเลยปกติพอเราเราเรู้มาจากบรรพบุรุษผู้ใหญ่ทําแล้วก็ต้องอธิษฐานก็คือขอขอเพื่อไปพบหน้าชาติหน้าก็คือไม่โลนักเราล้วก็ดูนางวิสาขาเป็นตัวอย่างว่านางวิสาขาทําบุญนี้ท่านยึดอามิตษไหมก็พุทธเจ้ากรถามมาทําบุญเพื่อประโยชน์อะไรพุทเจ้านางวิสาขาก็อบอกว่าทําเพื่อเป็นเครื่องประดับจิต มันไม่มีใครทราบจริงๆเะครับพระเจ้าบอกว่านี่แหละคือการให้ทานที่ถูกต้องทำเพื่อเป็นเครื่องประดับประดับจิตก็แค่เครื่องประดับพอแล้วไม่ได้ไม่ไเอาเป็นกระสาล่แก่นสารอะไรแค่เครื่องประดับจิตเท่านั้นเองก็ท่านทา ท, า, ทาบุญต้องเขียนชื่อติดนะก็กาแพงวัดเสาโบสถ์วิหารก็เห็นตรงนี้ก็รู้ว่า อยาว่าแต่ย่าวาแต่กำแพงวัดเสาโบสถ์นี่หาไม่ชื่อติดเลยตายแล้วกระดูวยังไปชื่อติดไว้ข้างกำแพงครับก็เนี่ยคือความไม่ไม่มีผู้สอนหรือว่าเราไม่ไปไปใยรู้เนี่ยมันไม่รู้ตรงไหนครับมันเกิดมันเจอสภาพอย่างเนี้ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรได้เพราะว่าอขนมรำเนียมประเพณีในทางสังคมมันมาอย่างนี้แล้วครับเราถูกวางรากฐานโฆษณาในประเทศที่ผิดเรื่อยเร่มาเราไม่ได้เป็น จุดเริ่มต้นของข้อสนาเป็นแหล่งแหล่งเริ่มแรกจุดกําเนิดจุดกําเนิดอยู่ที่อินเดียขณะจุดกําเนิดยังยังหาจุดเดิมไม่มีมีเจอเลยทุกวันเนี้ยังไปเอาจากที่อื่นเข้าไปใช่ไหมขนาจุดกําเนิดยังหมดเลยจะไม่นับภาษาอะไรกับเราที่ยังไม่ใช่จุดกําเนิดมีให้ได้เห็นได้รับรู้รับทราบคําสอนทุกวันนี้กับบุญแล้วแสดงว่าที่เรามารู้มารับทราบเราต้องใหรือหรือว่าเราต้องมีใช่เราต้องใยเราต้องแสวงหาแล้วสิ่งที่แสวงหาตรงกับความ ต้องการกับเราสแสวงหาหรืปล่าบางทีสแสวงหาไปเจอกับสิ่งที่ไม่ใช่ต้องการถูกร่อลวงไปให้ติดให้ยึดกับสิ่งนั้นก็โอ้อีกนานอีกทีนี้วนในวัตฏะไปอีกยืดยาวนานเข้าใจว่าตรงนั้นคือใช่แล้วอี้ตกนี้นะใช่แล้วถูกแล้ ว, ลวดีมลงไปเลยที่ถี่ยึดอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นมาศึกษาที่นี่ก็อย่าเพิ่งบอกใช่แล้วนะให้ควรไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆคบคิดไปอีกใช่หรือไม่ใช่ไม่ว่ากันพิพานเป็นอันตารหรือหน้าตา บางทีอาจจะมีทฤษฎีอื่นมาแยง้งอตาตมาอีกก็มีนะ <c oughs> ก็อาจจะมีก็ต้องดูกันไปหรือบางทีอตาตมาอาจจะ ค, บ, <c oughs> คบคิดได้ความรู้ใหม่มาล้มล้างทฤษฎีใหม่ของตัวเองอีกก็ได้ไ เ, ไเพราะการศึกษาคำสอนพูะเจ้าบางที <c oughs> เราจะบอกว่าสมบูรณ์แบบเลยไม่ได้เลยเราเราหาความสมบูรณ์แบบไม่ไนาะนเพราะเรายังไม่ใช่สัพพัญญูตยังไม่มีสัพพัญญูตาเราแค่เป็นสาวกยาง ยานของสาวกยานรู้ตามพอเป็นจริงของสาวกมันมีขอบเขตแต่เรารู้ในยักษ์ในยักษ์ของหลักคําสอนพอรู้ได้อยู่เป็นในในอยู่ว่าพวงทรงตัดเรื่องเราเหล่านี้มาเพื่อประสงค์ให้เราได้รู้อะไรทั้งหมดทั้งมวลก็คือสลัดความเป็นตัวตนของตัวเองออกไปความเป็นเรามีแต่ความเป็นตัวตนของเรามันไม่มีที่มีผู้ไปถามภาษาญี่ปุ่นว่ า, า, ต, วาตัวตนของท่านในรูปนี้ไหมไม่มี ตัวตนในเวทนาของท่านมีไหมไม่มีตัวตนของสัญญาแล้วท่านมีไหมมีเอาแล้วท่านมีได้ยังไงก็ตัวตนของท่านมีแล้วท่านมีได้ยังไงมีเพราะอาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารอาศัยวิญญาณจึงมีเห็นไหมตัวตนไม่มีแต่ตัวเรามีตัวตัวท่านตัวเราเนี่มีมีคืออาศัยเนี่ยมันมีก็ตอนนี้มันมีอยู่อ่ะแต่มันมีอยู่แบบเที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงมันมีแบบคงที่ไหมล่ะ ไม่คงที่แล้วมีแบบตายตัวแบบตั้งมานเนี่ยไม่ถ้าก็รู้อยู่ท่านก็ไม่หลงไงเพราะท่านระรู้อยู่เห็นอยู่อย่างเงี้แหละจึงเป็นผู้หลุดพ้นนี่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเราใช่เหมือนเราเหมือ <c oughs> กนกันเราต่างกันไ ม, <c oughs> ไม่ไม่สามารถเป็นเอกเทศด้วยตัวของมันเองได้ <c oughs> จะต้องอา ศ, าศาัยเองซึ่งการและการจินอยู่เยะเนี่ยไม่สามารถอยู่ด้วยตัวของมันเป็นเอกเทศได้ ต้องอาศัยอย่างอื่นมันกับค้าอยู่ไม้ไม้สี่ท่อนค้ากันอยู่ใช่ไหมเอาอีกท่อนหนึ่งล้มหมดเลยแต่แหละมันค้ามันอินกันอยู่มันจะพี่พูดถึงเรื่องสภาวะอะไรที่ที่คืออะไรอะไรใครที่ได้เห็นทุกนั้นที่เกิดขึ้นทุกขณะที่ดักการเห็นสภาวะที่ของมันตรงนันทุกขณท่านท่านคงเห็นตรงนั้นใช่ถึงพูดตรงนี้ขึ้นมา ดูเท่านที่เกิดขึ้นดูท่านัไไท้ที่ดับไปเนี่ยใช่ดับไปเออท่านเห็นละเอียดเนาะรายละเอียดท่า น, นต้องในในภาวะที่อยากเห็นแล้วพูดออกมาปับ๊บ ม, มันจะมีสภาวะที่ละเอียดที่ท่านรู้อยู่ในนั้นนะเป็นเป็นทั้งสมถะวิปัสนาอยู่ในนั้นเลยอยู่ในนั้นอยู่ในจิตใช่เลน็เลยพอกระ้นานาโตออกมานี้เลยเห็นภะตรงนั้นเนาะมาสรุปจิตเดิมแท้มีไหมในพุทธศาสนาไม่มีนะ เกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วก็ดับนะเพราะนั้นที่เขานิพนานจึงไม่ใช่จิตเดิมแพ้ไม่ใช่จิตดั้งเดิมไม่ใช่จิตตัวเดิมไม่ใช่จิตที่ที่เราว่าเป็นอะไรนะเป็นแบบตัวที่ยืนตัวแบบคงอยู่อะไรแบบเนี้ยไม่มีนะไม่มีโอเคเข้าใจถูกนี่ถูกรู้ผิดเราอาจจะผิดสาหรับคนอื่นก็ได้เราไม่มีถูกไม่มีผิดแต่เข้าใจอย่างนี้นะ สองนิพพานเป็นดาตาหรืออนัตตาไม่ใช่ทั้งสอย่างทำไมถึงไม่ใช่ทั้งสองอย่างเพราะยังมีลักษณะอยู่เพราะมันยังมีลักษณะอยู่ถ้าบอกว่าเป็นอนัตตาคืออนัตตาเป็นเครื่องบ่บอกลักษณะของสังขตธรรมถ้าเป็นอัตาก็เป็นทุกข์สัตว์อย่างคือยังเป็นทุกข์อยู่เพราะนิพพานไม่มีทุกข์จึงไม่ใช่อัตานิพพานไม่มีลักษณะสามจึงไม่ใช่อนัตตาแล้วนิพพานเป็น บิดุติธรรมเป็นสิ่งที่สวดนิพน์ไปแล้วพ้นแล้วหลุดพ้นไปแล้วเป็นอสังขตาเอาพูดง่ายๆเอาพูดง่ายๆคือเป็นอสังขตตการหลุดพ้นนะครับจะใช้คาว่าสัพเพธรรมานาตามามามาประมวลความเป็นนิพพานในคำว่าอนาตตาไม่ได้เพราะว่าสัพเพธรรมานาตตาเป็นข้อสรุปในในทุกคำลสังคตลักษณะในลักษณะของสังขตะครับแล้วก็ อ า, อามิตบูชากับปฏิบัติบูชาเข้าใจกันเนาะสามารถทําด้วยกันทีเดียวได้ ไ, ไม่ใช่ไ ป, ไป<ช>แยกว่าทําอาิตแล้วก็ไปปฏิบัติพูดยังไงว่าเดี๋ยวขอทําอันนี้ก่อนแล้วปฏิบัติเอาไว้ที่หลัง <ph yl os> รอเข้ปาปารอให้มันสงบร้อยไปหาที่วิเวกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ ค, ค, คือมันอยู่ในอันเดียวกันเลยนะถ้าให้ทานก็สลัความตนนีไปด้วยกันเลยแต่รักษาศีลก็อย่างไงเป็น ถ้ารักษาศีลก็กำหนดจิตตั้งใจตั้งใจรักษาพร้อมทั้งพิจารณาในข้อศีลที่เรารักษานั้นจนเกิดความรู้แจ่มแจ้งเป็นปัญญาเพื่อทําัวเองหลุดพ้นก็ได้เป็นก็เป็นปฏิบัติอย่างนี้อาชาปฏิบัติภูชาอันสุดท้ายคือสรุปคือพระพุทธเจ้าต้องการให้เราเห็น สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมราสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมราแล้วสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกนี้ก็คือมีแต่ทุกข์เท่าที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่และก็มีแต่ทุกข์เท่นั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด น, นอกจากทุกข์ไม่มีมอะไรดับ <c oughs> ก็เท่านั้น <c oughs> ก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นข้อสรุปทัศน์ในทางพุทธศาสนาที่ยืนตัวมาตลอดครับจะมาขัดแย้งไม่ได้ แล้วทีนี้มันเกิดปัญหาว่าทําไมเราสามารถรับทัศนะของกิตเดิมแท้เข้ามาสู่พื้นฐานได้เรารับเข้ามาได้ยังไงพราะมหายานพราะมหาญาณฮ ะ, ะยายา ม, มะยาจากมหาญาณแล้วแล้วเราก็มีหลักคํำสอนของเทราวาสอยู่ทําไมเราไปรับมหายานขึ้นมาเราเราไม่เราเห็นว่าเทรวาสอยัไม่สมบูรณ์พอเลยจึงไปรับมหายานเข้ามาก็มีพระที่ไปดีไปศึกษ า, ากับพระที่เป็นธารมหายาณศึกษา ความเชื่อในเรื่องจิตเดิมแท้เนี่ยเป็นความเชื่อของชั้นพรามใช่ไหมพรามที่เขาคือว่ามีอะไรเอามาตัดสักอย่างใช่ไหมมีความเดิมแท้ที่กลับไปสู่ทาตั้งเดิมแล้วอามาตัดอยู่แบบนั้นไม่มีปุติอีกอ่ะอันนี้คือเป็นเป็นทิฏฐิพรามใช่ไหมที่เขาเรียกเป็นอัศสตาทิฏฐิทิฏฐิที่เห็นว่าเที่ยงคงที่ยังยืนมีตัวตัวที่เที่ยงมีอยู่แต่เราไม่ไม่สามารถไปเห็นตัวที่เที่ยงนั้นเราเลยเวียนตายเวนเกิดเดี๋ยวไปจะว่าไอ้ที่ มันเศร้าหมอเพราะมีคีเรีที่จอดมาอทาให้เราเศร้าหมอประยุทธ์เแต่จิตเดิมแทะมันจะอ่านไปแ้วไปถึงไปแล้วในเมื่อเทราว่ามีคําสอนหลักหลักคําสอนที่ไม่ได้พูดถึงจิตเดิมแท้เลยทําไมเราสามารถไปรับจิตเดิมแท้เข้ามาอยู่ในในศาสนาเราได้ในหลักคําสอนเราได้เนี่ยมันคือมันบ่งบอกถึงว่าศาสนาเราเริ่มบันฑพรบัณฑรไปแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ความจริงในลักษณะของเราเราไม่รู้หลักคําสอนที่เรารับถืออยู่ พรสิ่งที่เรานับถืออยู่เนี่ยมันมีความสมบูรณ์แบบแล้วทั้งเบื้องต้นทากลรงและที่สุดมันสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปรับศาสนาอื่นแทะเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อประเสริฐสติเสริมปัญญาเสริมจิตเสริมใจเสริมความหลุดพ้นแล้วบางทีบางคนบอกเฮ้ยทำไมมหายาันง่ายจังสบายไม่หลุดพ้นสบายอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องทำอะไรเลยมันบริสุทธิ์อยู่แล้วการจะมาจ้างลูกค้าไหมที่ฟ้องที่พวกมันจับทางอันนั้นหรือเปล่านั้น กับที่แยกแยกเป็นนิจัยกระต่างไปถึระต่างไปที่ว่าชุดนั้นตั้งใแรกแล้วอ่ะบางทีมีพระที่ไม่ยอมรับทาทำให้นาครั้งแรกอ่ะเขาแยกไปเลยนะเพราะว่าเพระแค่รมหาภูรานะครับข้อมหาภูรานะที่ไม่ยอมรับสังคายนาครั้งแรกอนั้นก็เป็นพระอรหันต์นะเป็นฝ่ายทักสิณนิกายดูฝ่ายใต้อรหันต์ก็ทำผิดได้ ท่านหลุดพ้นเฉพาะตนแต่การสร้างปฏิปทาเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะเป็นผู้ไม่ไม่อยู่ในวินวสั ย, ย, ยาาคือท่านอ้างว่าเราท่านก็อ้างกับพระมาหากรสปะว่าที่ท่านสังขยานามานั้นก็ดีอยู่ยก็ก็ก็ท่านก็ไม่ได้คัดค้านแต่ท่านพูดกับมหากรสป่ว่า เราจะยึดถือตามที่ได้ฟังมาเฉพาะพระภักดิของรพระสมมาสมุทรทเจ้าเท่าน right> ั้นเพราะอะไรเพราะว่าพระมหาคัจจป่าไม่ยอมชวนท่านเขาร่วมด้วยไงก็ท่านก็ท่านไม่ทราบข่าวไงคือท่านเขาาประกาศแล้วไงประกาศแล้วว่าจะขอภิกษุห้าสี่ร้อยเก้สิบเก้ารวมพระมหาคัจจป่าก็เป็นห้าร้อยอ่างนี้ทีนี้แต่ยังก็รอพระอานุนแต่ท่านอยู่ภาคใต้ท่านไม่ทราบข่าวเรื่องการทาสังฆทาน ท่านกำลังเดินทางมาแต่มาไม่ทันมาไม่ถึงพอมาถึงมาถึงก็มีมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมด้วยเพราะไม่ได้เป็นปฏิสัมพิธายาัเป็นอหรหันต์ก็จริง อ, อ, อยู่แต่ ไ, ไม่มีปฏิสัมพิทายานันก็มีสาวุกมากใครทางใต้ทีนี้ก็เอาก็เลยมาถึงปัง๊บอสังขนาเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอเราขอเรารับฟังหน่อยท่านสังขยาอะไรก็ประชุมสงฆ์อีกทั้งห้าร้อยลูก แล้วก็ทําแบบเดิมอีกสังขทาอีกซ้ํารอบสองนะรอบสองให้พระมหากราณานาธิสารวัฒน์ท่านเป็นเทละผู้ใหญ่มากเลยเขาเท่านถึงยินยอมทําอย่างนั้นได้แล้วพอฟังเสร็จปุ๊บโอสังขทาท่านก็ดีอยู่นะแต่บางสิ่งบางอย่างที่เรารับทราบรับฟังมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รับมาเฉพาะพระพักนั้นะจะยึดถือตามเฉพาะนั้นอันที่เราไม่รับฟังจากเฉพาะพระพักนั้นเราไม่ยึดถือตาม ทีก็เลยกลารเป็นตั้งนิกายใหม่ขึ้นมาแยกออกไปถ้าจะพูดถึงว่าศาสนาพูดธเราแตกเพแตกมาตัตอนนั้นนะไหมแตกตอนนั้นนะแต่ครั้งแรกที่ไหนรู้ไหมเบืองโกสัมพีแต่ก็มาสมานกันได้แต่ครั้งแรกคือมีพระพุทธเจ้ายังทรงเข้าชนอยู่แต่กันแล้วก็มาร่วมกันได้ยังสมานสามัคคีกันอยู่พอแตกครั้งหลังที่มีพระพุทธเจ้านี่ไม่สมานเลยไม่มีผู้สมานเลย จบเลยเลิกเลยเป็นนิกายกันออกมาหมดเลยทีนี้แต่านิการเนทั้งหลายร้อยทุกายเนาะแปดนิกาแล้วใน18ดนิกายก็มีนิกายย่อยย่อยของแต่ละนิการมันเ็อยู่เหมือนกับเหมือนกับเระวันเราก็มีแยกย่อยก็มีคือมหานิกายกับธรรมยุทธ์อย่างเงี้ยก็แยกย่อยอีกนะมันก็มีต่างต่แล้วในมหานิการก็มีมหานิกายปฏิบัต คือคามวาสีกับอรัญจวาสีธรรมยุทธ์ก็มีไฟคาพาวาสีอรัญจวาสีอีกเนี่ยย่อยก็มีตั้งกามีอีกย่อยกอีกแล้วในคามวาสีอรัญจวาสีอาจจะมีมีอะไรอีกเนี่ยนั้นเป็นครกเป็นลาวเดี๋ยวแม่หะมันไม่ได้แตกได้ยังไงมันแตกกันอยู่แล้วแน่นอนอ่ะแต่ใครจะดูในหลักคําสอนมากของกันตรงเนี้ยเห็นไหม ตอนนี้เรามีพุทธวจนะขึ้นมามถือว่าแตกไหมแตกเห็นคล้ายท่านานะ่แลเาแต่พุทธวจนะอแต่พุทธวจนะอย่างเดียวั็คล้ายกับท่านภูรานะนั่นน่ะอะไรที่ไม่ใช่พุทธวจนะไม่ยอมรับฟังเลยแล้วดันไปยึดถือฉบับที่แปลมาแล้วซึ่งไม่ฉบับที่แปลมาแล้วของสยามรัฐแต่ท่านไม่มีความรู้ในการแปลในฉบับบาลีสยามรัฐเลย ท่านท่นก็ชอผิดพลาดได้พูดอย่างนงี้ผ่าทิ้งด้วยเล ย, เยไม่ผ่าทิ้งบ้างเนาะพูดถึงเป็นห่วงพระศาสานาก็เลยพูดถึงนะเป็นห่วงว่ากลัวว่าหลักคำสอนจะไม่คงรูปคงรอยพอไปยึดคําแปลที่แปลแล้วมาเป็นหลัก คำแปลที่แปลแล้วเราเอามาเป็นแค่ข้อมูลค้นคว้าหาพุทธวจนะที่แท้ได้แต่จะเอาไปเป็นมาตรฐานของพุทธวจนะไม่ได้เห็นไหมอย่างฉบับมหาวุฒิกามหาชุลานี่บางเรื่องในขึ้นในยังแปลกใช่สามารถเป็นแหล่งค้นคว้าได้อยู่แต่จะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้เลยแม้แต่แปลจากสยามรัฐก็ตามเอามาเป็นมาตรฐานไม่ได้ที่จริงนอกจากบาลีสยามรัฐเท่านั้นที่จะเป็นมาตรฐาน ใช้คําว่าเป็นที่อ้างอิงได้แค่นั้นแหละเป็นที่อ้างอิงได้อ้างยิงมาว่าเราสอนอันนี้ออกไปออกจากพระสูตรนี้เท่านั้นเองย้างอิงอย่างนี้ได้แต่จะไปชี้ชัดว่าเป็นพุทธปจนะตรงตัวเลยไม่ได้เลยค่ะถือว่าผิดพลาดมากเนี่ยนี้คือความเป็นห่วงบางคนบอกท่านจะมาเป็นห่วงอะไรเลยอันแค่นี้จะมาเป็นห่วงอะไรอย่าเงี้ยก็ไม่เป็นไรไแล้วแต่ที่ถี่คนแล้ว่ามันจะมอง เอาล้มัพอสมควรแก่เวลาวันนี้เอวัน